อันนี้นักคุณอยู่เปล่าวันดีคับนักคุณยาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีค่ะอากิมาสหนูไม่เอาหรือากาศเป็นเพ่อนพกหนูหนูหนูอยากจะจ่ออาิมาสของหนูลองไปหยิบได้ไหมถ้ากันหนูบอกจะกลับพระอาจารย์ไม่ใช่หรือไม่แม่อหนูก็หนูจะหยิบอากิมาสให้พระอาจารย์ดู ไม่อ้าโอเคก็แป้งก็มันก็นดินกปิดเทอมค่ะพระอาจารย์ปวดได้ทั้งวันเลยค่ะเออเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนคงปวดอย่างนี้ไม่แพ้ก <ah ันเลยใช่ไหมคะอไม่เงื่อนภาษาตามเขามอืไรไหมน้าเอท่านผ่านมาดูพี่เจ้คนนึงมาว่ากับพระอาจารย์ ค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เอปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะวันลนิดวันละหน่อยก็พยายามทำทุกวันค่ะก็ค อ, อ, อยปล่อยวางไม่พิจารณาใจลากอยู่เรื่อยๆนะไ ม, ไม่มีอะไร ข, ของเราพอตัวเปล่าๆแล้วก็ไปตัวเปล่าๆค่ะพระอาจารย์ ระงาบไปได้เยอะแล้วค่ะมแม้ว่าวันนี้จะมีมีบททดสอบเข้ามาเรื่องเอตีจินมินทาต่างๆก็พยายา ม, มทําใจพูดโจพูโ ท, โทให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นต้องขอบใจเขาว่าเขามาทดสอบใจเราค่ะอะาจารย์ทองทองแท้มันต้องมีไฟมาเผามันถึงจะรู้ว่าเป็นทองแท้หรือเปล่าบททดสอบค่อยๆทยอ ย, อยม า, า, าแล้วก็อเข้าใจแล้วก็รู้ว่า สาวชูอยากไปโกด้นวยค่ะหรือไปนิดนึงค่ะพระอาจารย์ตอนอารมณ์ขึ้นตอนที่มันอารมณ์ขึ้นโอ๊ยทำไมทำอย่างนี้นะนั่นแหละอ่ว่าเรายังดินนั่งจับค่ะพระอาจารย์มีบอพอรู้สึกตัวก็ต้องนิดนึงค่ะค่ระอาจารย์ขอบพรอาจารย์ นอนหลับพันี้นะครับนอนหลับโดยเฉพาะคนนี้ค่ะพระอาจารย์เนี่ยตัวตัวปลูกกิเลสอย่างดีเลยดีปลูกกิเลสค่ะมันบอมีบารมีบอกเกินนะค่ะพระอาจารย์รับคำสั่งต่ออาจารยะกิเลสโอเคนะเดี๋ยวจะไปที่ท่านต่อไปพระธิมาเจ้าที่ สวัสดีครับอาจารย์ครับยังไงบ้างครับมาส่งกันบ้านเช่นเคยครับนั่งสมาธิได้วหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้นั่งครับแต่ะระหว่างวันท่องพุทโธครับนี่เออทำไมไม่นั่งเลยแค่ทําอย่างอื่นทําได้ทั้งวันนั่งแค่ยี่สิบนาทีนั่งไม่ได้นะฮะต้องนั่งนะต้องมองข้ามเป็นมันนั่งถ้าไม่นั่งมันก็ไม่ได้นั่งอยู่เรื่อยๆ เข้าใจไหมส่งการส่งการบ้านก็สง่งได้ผมมันผมเดี๋ยวนี้นั่งได้กี่นาทีไม่แยกมาแต่ส่งการบ้านแต่ส่วนอย่างเดียวสวย่วนแค่นี้มันไม่พอหรอกรส่วนก็นดีแต่มันต้องนั่งด้วยนะได้ครับโอเคเอาว่ามาการบ้านเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องพังความแก่ไปไม่ได้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 เราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิ้นไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดพิจารณาวันลกี่ครั้ะก็ถ้าเกิดไม่พิจารณาเลยาพิจารณาตามมาทงการบ้านนี้เท่านั้นเลยก็มีพิจารณาระหว่างวันนะคะต้องทุกวันเช้าเย็น อ น, นอนก็ต้องท่องบทนะสื่นขึ้นมาก็ต้องท่องบทนี้จะให้จำไว้จนวันตายและอย่าลืมเจเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บเจเตรียมตัวตายนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราก็ต้องดูแลมันไปึงเวลาก็ต้องปล่อยมันอย่าไปทุกข์กับมันเข้าใจไหมเข้าใจอ่ามา างกายมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลื่อในกระดูกม้าหัวใจกับท้งผึ่งไตกอดไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเพื่อในสมองสีชาติน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนืยน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำไข่ข้็มน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่เค็มน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเยื่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใช่น้อยใช่ใหญ่ก่อนใตทางผื่นตับหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูก เป็นเนื้อหนังฟนันเล็กแต้ขนัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายไม่อยู่ค่ะไม่อยู่แน่นอนนะใช่คับโอเคอเรานั้นไม่ต้องไปตกใจเวลาร่างกายเป็นอะไรมันไม่ใช่เรานะนะคมเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวร่างกายรับคำสั่ง นะครับอย่าะนั้นเวลามันเป็นอะไรถ้าเราช่วยมันไม่ได้ก็ ก, ก็ปล่อยมันไปนะมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายกโอเคนะอย่าลืม น, นะท่องทุกวันเช้าเย็นนะแล้วก็นั่งสมาธิ20นาทีถึง30นาทีได้ครับมันได้ครับครับในมากี่เดือนแล้วเนี่ย เริ่มต้นก็ดีอยู่เห็นนั่งอยู่ได้สักพักนึ่งอย่างนี้ทำที่ไรไม่ได้นั่งนั่งบ้างอต้องทำทุกวันนะต้องมีการอ่าต้องบังคับตัวเองของดีๆ้าไม่บังคับมันไม่ทํำอะไรมไม่ชอบอันี้มันชอบของของไม่ดีอของดีมันไม่ชอบเราก็ต้องบังคับมัน มันข้าไปสภาพต่อไปมันง่ายๆมันก็มันก็จะเชื่อมมันก็จะทำตามที่เราสัง่ง <Okay. S 1> ทำได้ไหมน่าจะทำได้ง่ายจะทำได้ยังไม่การรับไปไงทำได้ใช่ไมสัจจะนะต้องสัจจะที่ฐานะจะนั่งจนั่งสมาธิวันละยี่สิบสามสิบนาที แล้วก็จะสวดสองบทนี้ทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนนะจากตืนขึ้นมาใช่คับจะได้ไม่ลืมนะครับจะได้รงด้วยจะได้ฝดกรงไว้เรื่อยๆครับมันจะมาเมื่อไหร่กัไม่รู้นะความสี่นความตายนี่มันมาได้ทุกเวลาครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับ ไม่มนนีก็ไปที่คุณหมอพิเชษต่อเลยกล่าวขอบคุณพระอาจารย์ครับกลับนมัสการพระอาจารย์ครับขอบความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเครื่องมือของใจครับพระอาจารย์เครื่องมือของใจก็มันก็มีสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยาเลวนามัขันเป็นตัวที่ทำ าำหน้าที่ให้ให้ใจใจได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมี ว, วิญญาณวิญญาณเคยเป็นผู้ที่ไปติดต่อที่ตาหงจมูกมิ้นกายไปติดไปติดต่อไปเชื่อมต่อกับตาหงจมูกมิ้นกายเพื่อเวลาที่ตาสัมผัสกับรูปรูปมันก็จะถูกส่งเข้ามาที่ใจะ ไม่ส่งเข้ามาที่ใจแล้วใจก็มีสัญญาเป็นผู้ที่มาวิเคราะห์ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรอรูปดีหรือรูปไม่ดีเป็นอันตรายต่อเราเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไ ม, ไม่ให้ความสุขหรือให้ความทุกข์พอรู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นพอรู้ว่าดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกข์ก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาพอเห็นรูปที่คิดว่าจะทําให้เรา เดือดร้อนเสียหายก็เกิดความทุกขใจขึ้นมาทุกเวทนาขึ้นมาอืันนี้ก็เวทนาที่ที่จะคอยบอกจะให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัสนู้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มันมีอยู่สามอย่างพอรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรอไม่สุขไม่ทุกข์สังขารก็ต้องสั่งการไปที่ร่างกายเอายังไงดีอะถ้าสุขก็เอาเลยเอามาเลย อ่าต้องซื้อก็ซื้อถ้าต้องไปหยิบมาก็หยิบมาถ้าเห็นของดีของกินนี้ของเครื่องเดิมโปรดนี้พอเห็นปั๊บมันก็สั่งฮะหยิบมากินทั้งขวดเลยถ้าไปเจอของที่มันเป็นอันตรายหรือเป็นของที่ไม่ชอบก็บ อ, กอย่าไปเอาโยนทิ้งไปในสังขารเป็นตัวสังการนี่คือ นามขันมีอยู่สี่เวทานาสัญญาสังขารวิญญาอันเรียงลำเรียงการลําดับการทํางานมันก็ต้องเริ่มที่วิญญาณไปรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแล้วก็สัญญาก็วิเคราะห์ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดไหนดีไม่ดีแล้วก็เกิดเวทานาขึ้นมาสุขทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เกิดสังขารการคิดปรุงแต่งสันะ่งการว่าจะต้องทําอะไร ที่ถ้าไปสั่งถ้าไปสั่งอยากจะได้นะทำไม่ได้มันก็ไปสร้างสร้างปัญหาให้ตัวขึ้นมาสร้างความทุกข์ใจตัว น, นี้อันนี้ไม่ใช่ทุกที่เกิดจากการไปสัมผัสรับ ร, ร, รู้เสียงกลิ่นรสอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันนี้เราทุกข์ในอริยาาสัจสีต่างจากทุกขเวทนาะทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่มันมากับรูปเสียงกลิ่นรสสุขบางรูปมันมันก็เป็นทุกข์บางรูปมันก็เป็นสุข แต่ทุกเวทนาไอ้ทุกในเรื่องสารนี้เกิดจากความอยากอยากได้ก็เป็นทุกข์อยากให้อยากไม่ได้ก็เป็นทุกข์ฉะนั้นพอเสียงไม่ดีมาอยากไม่ได้อยากไม่ได้ยดินเสียงนินทาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอยากได้เสียงสรรเสริญพอไม่ได้สรรเสริญก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นทุกข์ทางใจที่เราแก้ได้ที่พุทธที่เรามาศึกษาปฏิบัติกันก็เพื่อมาแก้ทุกข์ทางใจส่วนเอ ทางทุกข์ทางขันนี่เราแก้ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเป็นมามันอยู่ภายใต้กฎของไตแล้วแต่ทุกขังใจนี่มันอยู่ภายใต้กฎของอรียสัจสี่ถ้าอยากก็ทุกข์ทันทีหรือไม่อยากก็ทุกข์ไม่อยากได้ก็ทุกข์อยากได้ก็ทุกข์ไม่อยากเจ็บใกล้ได้ปวดก็ทุกข์อยากให้อยู่นานๆก็ทุกข์เวลาที่มันไม่ได้อยู่นานๆ ถึนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นภาวะตันหามีภาวะตันหาแล้วก็อย่าไปอยากได้รูปเสียงกินรสเปรตเพราะอยากจะได้แต่รูปเสียงกินรสที่เป็นสุขใช่ไหมแล้วพอไปเจอรูปเสียงกินรสที่เป็นทุกข์ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจอย่าไปเสพรูปเสียงกินรสเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอน มันไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียวพอไปเจอทุกข์หรืออแม้แต่เป็นสุขมันก็อยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันจากออกไปมันก็ทําให้เราทุกข์อีกดังนั้นอย่าไปเสพอย่าไปอยากเสพเสียง ก, กินลดตัดมันไปตัดความอยากมีอย่างเป็นตัดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต้นใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอนนี้คือเรื่องของใจใจของพวเราทุกคนตอนนี้มันทุกข์กันทุกเพราะความอยากเนี่ย อยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกอยากอยู่กับแฟนอยากหาแฟนไม่ได้แฟนก็ทุกอยากกินอยาน่างเดงมอยากดูอยากฟังอะไรพอไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้ ด, ไไ ด, ดูไม่ได้ฟังก็ทุกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ตามคำอย่างตรงนี้ไปให้หมดฝึกจิตให้อยู่เฉยๆให้อยู่กับความว่างอยู่ความนิ่งในการจเจริญสตินั่งสมาธิ พอจิตอยู่กับความว่างได้จิตก็จะมีความสุขเราไม่ต้องไปหาความสุขจารกรูปสิ่งกิริย์โลกต่างๆส่วนน่องนองเนื้อจากเสียงนี่ที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือของใจแลนะ้วใจ ย, ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรู้ความรู้อันนี้ไม่อันนี้อยู่เป็นของใจเ ป, เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งสมบัติของใจ มันรู้ตลอดเวลามันรู้รูปเสียงเก็บรสมันรู้ไวทนาสัญญาสังขารมิจารคือตัวรู้นี้แต่ตัวรู้นี layout, sitting, ่นะมันตอนที่ถูกกิเลสเราให้ไปรู้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเราให้ไปเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราให้ไปเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นเป็นเที่ยงเราให้ไปเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่เราของเราว่าเป็นเราเป็นของเรา เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิความทุกข์ทางใจขึ้นมาเวลามันไม่เที่ยงพอเราไปคิดว่ามันเที่ยงเวลามันเปลี่ยนเป็นทุกข์เราก็คิดว่ามันเป็นสุขเราคิดว่ามันเป็นสุขเพราะมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเรา่าเราก็ทุกข์พอะมันไม่ได้เป็นของเราเราก็ทุกข์เรื่องต้องสอนใจเลยนะไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรให้ความสุขอย่าไปยาม ได้อะไรทั้งสิ้นอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่างได้อะไรเพราะสิ่งต่ตางๆที่อยากมันเปนทุกขแล้วความอยากก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาทันทีด้วยยังไม่ได้ไเลยพออยากมันก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้กวกังวลกังวายแนละ้วก็สับก็สายกินไม่น่าดอ่มไม่หลับเดี๋ยวนคืเรื่องของใจที่เรามาศึกษามาปฏิบัติกันก็เพื่อมันแ ก, นก้ความหลง ที่เเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นเป็นสุขตอย่างมันไม่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเวลามันจาดเราไปมันก็ทำให้เราเศร้าถ้าไม่อยากจะเศร้าก็อย่าไปยึดไปติดมันอยู่กับความว่าอยู่กับการไม่มีอะไรได้ดีที่สุดแลาวการว่างนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอด สิ่งอะไที่เกิดมันต้องมีการดับเนี่ยเพรนั้นทุกสิ่งทีกอย่างที่มันเกิดถ้าเราไปยึดไปติดมันเดี๋ยวเวลามันดับมันก็ทําให้เราทุกข์กันอ่านี่คือการการเข้าใจเรื่องของใจนะเรื่องของปัญหาของใจเการจากความหลงตรงมาเจอคนโล้ mm hmm. ออพระพุทธเจ้า การทหารต่อบุกทางเราะ่อส่อแน่เราอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะมันเป็นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันจะทําให้เราทุกข์แล้วเพียงแต่อยา ก, ก็ทําให้เราไม่สบายใจนะกาเกิดความอยากต้องใช้สติใช้ปัญญาหยุดมัน่ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนพุโทพโธวุทโธมันกำลังรับความอยากด้ชั่วค่าว เราก็มาฝึกสอนใจให้มองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเห็นว่าความอยากนี่เป็นมันทำให้ใจเราทุกข์นะก็เพอกับความอยากขึ้นมนก็จะทำให้ใจเราทุกข์และสิ่งที่เราอยากได้มันก็มันก็เป็นของไม่เที่ยมมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไปมันก็สุขก็หมดไปทุกข์ก็เข้ามาแทนที่อันนี้ก็คือเรื่องของของใจ นีมาเป็นบุญวาสนาอย่างสูงเลยครับที่ได้มาพบพระอาจารย์แล้วก็ได้เมตได้รับคำเมตตาจากพระอาจารย์สสอนเพราะว่าสิ่งที่พระอาจารย์สสอนนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือมีโมหะวิชาเป็นความโง่ของใจที่ทําให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีและทําทให้เกิดพวความทุกข์ใจขึ้นมาก็ เ, าเป็นบุญวาสนาอย่างสูงครับการขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะพรับราจาร ยาสาธุาธอางอให้นำมาไปปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์กั น, น <c oughs> แล้วกันปฏิบัติบูชาทดแทนบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูชาครับสาธุครับทำไมปฏิบัติคําสอนพระพุทเจ้าแล้ไร้ประโยชน์ น, นันเรียนรู้แล้วก็นออกไปปฏิบัติเพื่อกาจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจ นั่นคือเจตนาลมของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระธรรมค ำ, ำสอนให้แก่สรรพโลกถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณพ่ะพุทธพระธรรมะสงฆ์ก็ปฏิบัติบูบชาอำมิสบูชาก็เป็นจุดริ่มต้นแล้วก็ตามเลยปฏิบัติบูบชาทำมิสบูชาก็ทําบุญทําทานทํานุบำรุงพระพุทธศาสนา แล้วก็ปฏิบัติบูบชาเพื่อทําให้ชีวิดพ้นพาจากความทุกข์จะน้อมนําไปปฏิบัติรร ค, ครับอาจารย์ครับโตอ่ไปที่ขุนทิติมาง่ายๆยังสีลแปดเยววะ 8, 3, อะกว่ศาศีลแปดจากนักชก า, ารค่ะอาจารย์วันนี้ได้แค่เจ็ดค่ะอาจารย์วันนี้ต้องทานยาค่ะนึกติดโควิดค่ะอาจารย์จิตที่ทํางานค่ะ ก็ม ok ีโอกาสได้ปฏิบัต uh, ิเยอะขึ้นค่ะเสื้อก็แดงด้วยได้หกคะแนนหนึ่งได้เจ็ค่ะอาจารย์ขายข้อวหกพอเดียวคับก็ใส่เสื้อแดงุ๊ยอ๋อขาอาจารย์ไม่แต่งไม่เสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอรที่สีฉุดชาดเอไม่มีค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็เลยต้องใส่ เสืเลือดข้าพเจ้เสือขาวเสื้อดำางนี้อ๋อได้ค่ะจะดูจะปฏิบัติข้าพเจ้าอันนี้ชื่อชาติไปค่ะแล้วพูดให้ฟังเฉยๆค่ะพระาจารย์ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทิ้งแล้วไปใช่ค่ะพระาจจะดอบน้าไปปฏิบัติค่ะก็ยังปฏิบัติทุกวันเหมือนเดิมพระาจารค่ะอาารยให้ขันแข็งแรงนะคะ ค่ะคุณแม่ลูกนิสยากับคุณลุซาเวลาที่ว่ากลับธรรมสถานค่ะพรอาจารย์ธรรมสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่ไม่มีคําถามค่ะต้องทำค่ะขอบคแม่อะไรทำไมล่ะนี่คอับถูกแล้วอได้ยินไหมคะพรอาจารย์ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมค ะ, ะได้ยินจะ้ะ โยมก็ถือศีลแปดเมื่อวันพระค่ะแต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นศีลห้าแต่ก็ใช้แบบศีลแปดค่ะเพียงแต่ว่าไม่ครบจะใช้วิถีชีวิตแบบนั้นนะคะโอเคพยายามผลักดันไปเรื่อยๆค่ะก็เช็มขนยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ลองกลับมามาวิเคราะห์ตัวเองดูว่ามันเป็นอะไรก็ลองกลับมาให้เราเข้มแข็งนะคะออกไปเดินตอนเช้าออกไปเดินพยายามฝึกให้กลับมาเหมือนเดิมค่ะอย่าง เรื่องปกสติแล้วมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะโยอมยมเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมเรารู้สึกว่าเราป่อแปะเพราะว่าเราเอาใจเราไปติดอยู่กับอาการของกายอะค่ะอาจารย์ mm hmm. ตอนที่เราป่วยหนักนั้นเราแยกเราเราไม่สนใจเรื่องการป่วยแต่พอเราพอหมอวินิจฉัยปุ๊บเราก็ไปจับเอาคํานั้นมาแล้วก็เราก็ไปติดอยู่อาการของร่างกายค่ะอาจารย์ mm hmm. เราไม่ได้แยกออกมาแบบนั้น mm hmm. จงกระทั่งมาสนทนากับอาจารย์เ mm hmm. มื่อวันที่เข้าตูม โยก็เลยอ่แสดงว่าเราเราเราหลุดไปแล้วอะค่ะก็เริ่มกลับมาตั้งสติใหม่ค่ะอาจารย์จะไม่ไปจะไม่ไปใส่ใจค่ะอาการของเขาเรากลับมาใช้ชีวิตปกติขับรถขับมอเตอร์ไซค์ปกติเพียยังไม่ขับรถยนต์เท่านั้นเองค่ะอาจารย์กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมพยายามมีสติบ่อยๆเดินก็พยายามให้มีสติถึงแม้ว่าจะหลุดไปบ้างแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่เริ่มทำละค่ะอาจารย์อืกลับมากลับมาทําแบบ ยงแต่ยังไม่ได้แปดเป็นที่ค่ะอาจารย์ยังใช้ชีวิตแบบแปดเพียงแต่ว่าไม่แปดเท่านั้นนะคะอาจารยจ์จะพยายามน้อมนํานะคะจากที่ อ, อาจารย์อแสดงทำให้คุณหมอพิเชษไปนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันกลับมาใช้ได้ในชีวิตจริงจริงค่ะอาจารย์เราไม่ทุกข์ไม่สุขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าดีค่ะอาจารย์ค่ะ มาฝึกสติเยอะๆแล้วเราก็จะวางเฉยได้อุเบกขาก็จะตามมาคือมันพอมารู้สึกเราเริ่มมีอารมณ์ปุ๊บเราก็ตัดมันออกไปได้อ่ะค่ะแต่ว่าต้อ ง, ต, องต้องฝึกสติให้มากขึ้นเท่านั้นนะคะอาจารย์ลงตัง้มจำเป็นในทุกกรณีตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องมีสติทุกในกรณีในการเคลื่อนไหวค่ะว่นะ ใ, วให้จิตปรุงแต่ง ลอไปเลยมาเพื่อเจอกอฝันเกี่ยับเรื่องราวต่างๆโยมยมมีคําถามข้อนึงนะคะเพียงแต่ว่ายมก็ทราบว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าอย่าไปสนใจแต่ยมก็อยากจะถามเพื่อว่าถ้าเกิดขึ้นอีกเราจะตั้งรับกับมันยังไงคะ่ะอาจารย์ <c oughs> คือเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อเราเริ่มจะนิ่งใช่ไหมคะเรายิ้นเสียงกระติหรือบางทีเรานอนพอเราเริ่มจะเคลิมได้ยินเสียงกระติ การแบบนี้เราจะตั้งรับกับมันยังไงค่ะรู้เฉยๆยังไงไม่เลยสนใจค่ะที่ที่ผ่านมาก็เฉยๆไม่สนใจแต่คราวนี้เรารู้ตึกว่ามันเริ่มหลอนแล้วเราจะตั้งส ต, ติกับมันยังไงมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ากถ้ า, ถ, าถ้าเราไม่ไม่เฉยเราก็ต้องใช้พูดโธทําให้มันเฉยอย่างหนึ่ค่ะคือที่ผ่านมาก็จะเฉยพูดโธไปไม่สนใจอะค่ะเพียงแต่ว่าอพอเราจะเริ่มทําปุ๊บ เผื่อว่าจะเป็นให้กับทําให้กับผู้อื่นได้ทราบอะค่ะว่าแนวทางมันจะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นจะต้องทําแบบไหนค่ะใช่ใช้พุทโธอยู่ใจเราให้เฉยแล้วใช้ปัญญาว่ามันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยุ่งกับมันมันมาเองไปเองเราสั่งมันไม่ได้ข้ามมันไม่ได้มันมาก็จะไล่มันไปมันก็ไล่ไม่ได้มันไม่มาจะไปเรียกให้มันมามันก็ไม่มาอื เงินให้รู้เฉยๆถ้าไปยุ่งก็มันนจะทุกถ้าอยากว่ามันจะทุกข์อยากให้มันหายไปก็จะทุกข์เวลาไม่มาอยากให้มันมาก็ทุกข์แค <c oughs> ่ให้สักแต่ว่ารู้ <c oughs> กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะไอ้นี้ทั้งทุกอย่างให้สักแต่ว่ารู้ได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ขอบพระคุณอาจารย์ ยมจะได้เอาไว้ตั้งรับถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกก็จะได้ตั้งสติแตวที่ผ่านมาก็คือไม่สนใจเขาอยู่แล้วค่ะโอเคดีมากขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะทุบท่าค่ะคุณสารักา<ม>ชายนาไยาไม่มีคำถามสรัอาจารย์มาฟังธรรมค่ะโอเคองังนก้ไปเลยนะค่ ะ, ะคุณเน้งต่อคุณเน่ง สวัสดีค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติสม่ำเสมอค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะมีคําถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินชัดไหมคะชัดเจนชัดเจนค่ะอะมีวันนึงมีจิ้งจกมันวิ่งใส่ขโยมเจ้าค่ะแล้วโยมก็ตกใจโยมก็กรีดเจ้าค่ะแล้วโยมก็รู้สึกเอา้าตายแล้วไรสติแล้วอะพระคุณเจ้าโยมก็คิดว่าเอ๊ะ เราปฏิบัติมาทําไมเราเจอแบบนี้เรากัดสติแตกนะเจ้าค่ะเลยอันนี้คือแสดงว่ามันไม่ที่ปฏิบัติมานี่มันไม่ได้ผลใช่ไหมคะหรือว่าคนเรามันตกใจเป็นอาการแบบเหมือนเราเจออะไรที่แบบตกใจจิ้งจกมันวิ่งมาใส่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ่ามันโชคที่ตอนนั้นเราไม่มีสติไงเราไม่ละมัวว่นระวังถ้าเราไปอยู่ในป่ามันจะละมั่นระ ว, วังกั น, นีเองพออยู่ในบ้านเนี่มันก็ไม่ละมันก็แค่ว่าปลอดภัยทุองอย่างก็เลย สบายสบายสติเราไม่สติเราไม่เข้มขน้นไม่เหมือนกับถ้าเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวที่ที่หวาดกลัวเนี่ยสติเราจะเข้มข้นกว่าพี่โยมก็คิดว่าเอ๊ะแค่จิ้งจกมันวิ่งใส่ขาเยอกอยขึ้นมาเลยแลย้วยกแบบอุ้ยตายแล้วต<ด>ตแต่สติเราไม่ทันสติไม่ทันกีเลยเนะี่ยเจ้าค่ะแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดแบบไปนั่งภาวนาะสมมุติโดยประชาเงี้ยเกิดมีแบบ โยก็จินตนาการไปเกิดมีผีมันมานั่งข้างหน้าอย่างงี้แล้วเราจะแบบเฮ้ยเราจะไม่ยิ้เลยเนี่ยมันก็ต้องมันก็ถ้ามันอยู่ในที่นั้นมันก็ต้องมีสติมากขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าไม่งั้มันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไปอยู่ในนั้นถ้าไปอยู่ป่าช้าแล้วถ้าเกิดม่ไม่สติพอมันก็เฮ่อความกลัวมันก็จะเดึงให้เรากลับบ้านทันทีอย่างนี้ยังมีคนขึ้นไปปฏิบัติตามบนเขาชี้อ่อนบางคนก็ พอขําคืนขึ้นมาปั๊บก็ของกลับบ้านยก็มีสู้ไม่ไหวสติไม่พอสู้ความกลัวไม่ได้หยุดความกลัวไม่ได้เนียมันดูเองถ้าไปป่าช้าม่นั่งป่าช้าถ้าอยู่ได้แสดงว่าสติมีพอถ้านั่งไม่ได้ก็แสดงว่าสติมีไม่พอหรือถ้าไม่ไปก็แสดงว่าสติไม่พอถึงไม่ไปกัน ขนาดจริงจบโยงงนยังกี้เลยว่าคุณเจ้าแล้วถ้าเกิดผีโยคงสติแตกกว่านี้โยมก็อย่างที่มีลูกเสด็์คนที่เข้าไปนั่งนั่งดูอาจารย์ใหญ่ในในสำนักหนึ่งที่เขาจัดให้มีชากศมวางไวไ้ในที่บนแค่ให้นักปฏิบัติไปนั่งสมาธิคู่กับอาจารย์ใหญ่เจ้ายดีค่ะต้องลองไปอย่างนั้นดูรับประการสติมันจะต่อเนื่องมันจะแบบไม่ ไม่เพอเลยมันจะไม่ปล่อยให้ใจคิดอะไรเลยโยมเคยฟังค่ะเรื่องคนที่ไปจากเด e g โก s t r a d ดีโออ่ะคนที่เข้าไปเขาสติแตกเจอผีกันกระเจิงเลยแสดงสติมมไม่มีพอโยมคิดในใจว่าที่ไหนนะแล้วโยมไปเสิร์ชดัวโยมจะไม่ไปเด็ดขาดและที่เนี่ยไม่ไปเด็ดขาดมันไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกผีมันอยู่ในใจเรา พอใจไหมเพระไม่มีสติใจมันก็ปรุงแต่งก็มาเป็นผีเลยเจ้าค่ะเห็นที่เขาเจอกันว่าทั้งกลิ่นว่าทั้งเสียงเลยเดี๋ยวก็เลยกลิ่นก็กลิ่นแตะเสียงก็เสียงไม่ใช่ผีหน่อยล้วไปแปรไปว่ามันเป็นผีเองจริ่นมันก็สมมันก็ต้องมีกลิ่นนะเพราะเขาห้ามลืมตานี่้ยแล้วลราจิตมันปรุงแต่งไปเองถ้าไม่มีสติมันก็ปรุงแต่งไปเลยแต่ถ้ามีสติอยู่วุฒิโทวุฒิโทมันก็ปรุงแต่งไม่ได้ อย่างที่เข้าไปกันก็เพื่อบังคับให้จิตมีส ต, ตใิให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับพุทโธได้ก็ใจก็เน่งเฉยไม่มีอะไรเปลี่ยนก็สักแต่ว่ารู้ว่าเป็นเป่นเสียงก็สักแต่ว่ารู้ว่าเป็นเสียงอย่างที่เมื่อกี้คนดิษยาคุณยุสาถามจะทำไงกับเสียงเมื่อลูกก็ปล่อยมันไปแล้วก็พุโทโธของเราไปอย่าไปยุ่งกับมันค่ะ โย่ฝึกไว้ให้เข้มแข็งก่อนเจ้าค่ะอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับฟ้องสอบตกเมือไงไหมเจ้าค่ะขณะจิ้งจบตัวเดียวให้ยืดขึ้นมานี่ยเจ้าค่ะไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยการมีสติมันต้องนิ่งใช่สักแต่ว่าลูกกีดแล้วค่อยเฉยใช่ไหมไม่อย่างดีไม่ไม่ไม่ตลไม่ตลอดเปิดเปิดก็ยังดีแสดงว่ายังมีสติในในระดับนี้ บางคนน้าไม่มีสติเนี่ยตื่นตนหนักเตลิดเปิดโมงเหมือนกระต่ายตื่นตูมไปเลยเจ้าค่ะกัสาธุเจ้าค่ะคงอีกไกลเจ้าค่ะเย่อมจะต้องพัฒนามากขึ้นเจ้าค่ะไม่ได่เาเราเรขี้เกียจเรายังขี้เกียจจะเีเเาสติกันอยู่ค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่คะอ่าไปที่แม่น้องเลนต่อแม่น้องเลนไม่กลัวอะไรใช่ไหมกั <c oughs> บสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยิน หนู<ใ>นไม่คาค่ะหนูนะคะไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าอยู่กับศพเยอะแพ็คศพอะไรอย่าเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแต่ว่าพระอาจารย์เจ้าคะ่พะพอดีหนูมาพิจารณาใช่ไหมเจ้าคะ่ะคือปัจจุบันคือร่างกายมันพังไปแล้วก็ไปใช้ตรงที่จุดที่มันใช้ได้อย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะแล้วก็มาอยู่กับสภาวะใจมันก็เลยไม่มีความเจ็บปวดหรือทรมานร่างกายก็เลย บอกว่าไม่ได้ทานยาเจ้าค่ะก็ใช้ใจล้วนๆนะคะพระอาจารย์ก็เลยเห็นทุกอย่างทําบุญมันก็มองรอบตัวเป็นบุญทําวิธีทําบุญได้เ่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือทําสิ่งที่มีประโยชน์นะคะก็เหมือนอาจารย์เจ้าค่ะหนูก็เลยมาดูนะนะคะคือเราหยอดกระปุกออมสินเห็นมองเห็นเป็นเงินใช่ไหมเจ้าค่ะแต่เรื่องทําบุญนะคะพระอาจารย์ มันเป็นบุญที่ใจที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันต้องหยอดถีบๆไปเพราะว่าเราไม่รู้ค่าแต่พอมาสัมผัสได้ก็ตอนที่เจ็บป่วยเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือก็เลยได้เห็นว่าออทุกกายกับทุกใจเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าไปอยู่กับใจมันก็จะไม่ทุกข์ทางด้านกายมากเจ้าค่ะเวลาประเมินพวกหนูเป็นพยาบาลประเมินเพนสตอร์ความปวดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะไม่ได้ ต้องขอยาแรงๆก็มาอยู่กับใจอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่ปวดมากพอผ่าตัดหลายๆรอบหนูถามปวดกระโหลกไปสี่ครั้งอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็คิดว่าเอาไปตรวดทดสอบแบบมันเหมือนเป็นแบบเอาสีตายก็คือตายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันก็เลยได้หลายๆครั้งผ่าหลายครั้ ง, งก็ไม่ตายสักทียเี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยในใจหนูจะประ ป, ป, ปานบอกว่า เราต้องเป็นตัวประหลาดอย่างนี้เจ้าคะ่ะคือคนอื่นเขาไม่ตายเราก็เอา้แบบแบบบเล่นเกมอะค่ะพระอาจารย์ชอบแข่งขันนี้คะ่ะแข่งกีฬาพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้หนูก็กโอ้โหเยอะมากเลยเป็นตัวประหลาดไปเลยเจ้าคะ่ะคือรถความเสร็จไม่พอก็มาพลาสมองอีกอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์เปกระโหลกแม่ต้องเอารอบเดียวมันเบาไปต้องเอาหลายๆรอบโอโ้หนูก็ว่าโอ้โหอมิตรพุนเลยค่ะพระอาจานัน <Okay. S 2> แต่ก็ทํำใจใช้ชไปนะ น้าา<ด>มันก็เป็นอย่างนี้แลไม่เอย่างแท้แน่นอนสาธุขอพระอาจารย์ใจเราก็ต้องเป็นปกติไม่เดือดร้อนไปกับมันสาธุโอเคนะลง<ด>ไปที่คุณน้ำหวานต่อน้ำหวานอยู่ที่ไหนจะเปิดไยได้ไมั้ยังเปิดไม่ได้กดปุ่มมิวต์มีไหมอ่า พูดได้นะพูดได้นะอาจารย์ค่ะ อ, อาจารย์อ่มาจากที่ไหนทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่บ้านอยู่ที่ระยองค่ะอันนี้อยู่กรุงเทพเหรอใช่ค่ะอืมมีอะไรไหมก็คราวที่แล้วที่ถามอาจารย์ว่าจะเริ่มฝึกสติยังไงพ่ะอาจารย์ก็ให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธตั้งแต่ตื่นนะคะ<อ>ก็ตอนนี้ก็ฝึกก็ เริ่มตั้งแต่ตื่นแล้วก็ทําได้อีกทีหนึ่งกล้องตอนนอนเลยอ่ะคะ่ะค่ะอาจารย์คือระหว่างระหว่างวันก็เรียปหมือนอะไรไม่หมดเลยคือระหว่างวันที่เราทํางานอันนี้ถ้าเราไม่ได้ภาวนานก็คือเราไม่มีสติถูกไหมคะพระอาจารย์ใช่คือถ้าถ้าถ้าทํางานก็ให้มีสติอยู่กับการทํางานก็ยังมีสติอยู่แต่ยังเป็นสติครึ่งเดียวคือสติแบบคิดเราต้องการสติแบบไม่คิด เช่นบางที่เราทำงานหนัไม่ต้องคิดใช้นอาบน้าล้างหน้าแปลงผันเนี่ยเราก็ลับไม่ให้มันคิดได้ให้มันอยู่กับงานที่เราทำอยู่อยู่ที่อาบน้ําล้างหน้าแปลงผ่านไปนี่ถึงจะมีสติอาภาใจแล้วเราทําดูนะช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าให้มันคิดถ้ามันจะคิดก็ใช้พุทธโธพุทธโธหยุดมันค่ะขอขอบคุณค่ะไม่มีคำถามแล้วได้ลองนั่งสมาธิได้ยัง ยังไม่ได้นั่งเลยค่ะพระอาจารย์เนี่ยลองนั่งดูเล น, นั่งหมนเก้าอี้ก็ได้เนี่ยนั่งหลับตาอย่างเช่นตอนให้ฟังเทศสองธรรมก็นั่งไปแล้วทําสมาธิไปก็ได้ค่ะโอเคนะค่ะคุณค่ะคุณอรัญโง่ไปอยู่เขามื่อกี่วันนะธรรมสถ า, านพระอาจารย์ไปอยู่เขามาสี่วันค่นะพระอาจารย์อื ยังนไงสงบไหมสงบน้อยๆอนยะ่ายรอบนี้มีแต่คนพยายามจะกวนว่าจะไง <c oughs> แต่แต่ก็ก็เห็นคกวกเราไม่สงบก็เห็นความไม่สงบเราแล้วแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งว่าพอเรายิ่งอยากให้มันสงบมันยิ่งไม่สงบเว <c oughs> ลานั่งเนี่ยมันจะเดะอย่าไม่มันไม่ได้อยู่ที่ความอยากมัน <c oughs> ใช่ค่ะก็แล้ <c oughs> <c oughs> ยก็เลยอว่าไม่ได้ตั้งหลักแต่ก็ก็พยายามคือระหว่างวันก็นั่งค่ะปฏิบัติพอมีเวลาก็นั่ง ป, ปิดมืถือแล้วก็นั่งเพียแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเราขึ้นไปรอบนี้ยเหมือนงานมันมีงานค้างอยู่คือเห็นนะว่ามันมีพอมันมีงานค้างอยู่ที่กรุงเทพอยู่พอสมควรก็ใจมันก็เลยมีพวกรนิดนึงอ่ามันเพราะ ว, ะว่าโคงานนั่นเพราะว่าพะวกรงานก็ มันจะไม่เหมือนอย่างตอนช่วงปลายปีขึ้นไปมันเหมือนทุกคนเขาหยุดไปหมดแล้วไม่มีคนเขาสนใจเราออืก็เลยสงบนิดนึงเราก็สงบเพราะว่ามันไม่มีคนอยากจะทุกคนไปเที่ยวหมดก็ไม่มีคนสนใจเราเราก็เลยสงบด้วยแต่ตอนนี้เหมือนพอเราเ พ, ราพรัฟฟ์โครงกำงานมันก็เลยเหมือนความสงบมันก็เลยน้อยลงไปหน่อยค่ะอาจารย์แต่ก็พอเวลาปิกวิเวกมันเหมือนมันมั น, ม, นมันก็ได้ความสงบอีกแบบคือเราอยู่กับตัวเอง มันไม่ต้องออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกอะไรที่เราต้องไปชิญทุกวันถ้าเราอยู่ในที่ทํางานนะวันนั้นนั้นได้มันก็ดีในระดับหนึงนะ่งเนี่ยใช่ค่ะดีค่ะแต่จะทําให้มันนิ่งยังทำไม่ได้ถ้าจิตยังไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ใช่ค่ะอาจารย์คือเราก็เห็นนะแล้วเราก็รู้ว่าเออเนี่ยมันไปมันไปผูกพันไปอย่างนั้นคือแปลว่าเราก็ยังแบบวางมันไม่ได้ทุกคนก็อื ม, อม อะไรมันเข้ามาเรก็ เ, ออเห็นเห็นว่ามันเป็นจุดที่บกครองนะจงนะว่าจุดที่ต้องตัดให้ขาดให้ได้ถ้าเราจะเอาสงบแบบเดืดขาดจริงๆมันต้องอยู่ยาวต้องไม่มีเรื่องราวให้เราไปกังวลด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องความเงียบความสงบเนี่ยชอบมากจัน ร, ร, รอบนี้เหมือนกวางก็ลงมาเยอะสงสัยโ <laughs> ควิดไปเลยค่ะอั น, น, อ, นอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวไม่ได้มีความกลัว เหมือ น, อนกับบางคนก็อาจจะกลัวความเงียบอะไรอย่างเงี้ยคนใหญ่ก็อมาตอนเย็นตอนคืนใช่ไหมกลางวันก็ไม่ค่อยอกมาบ่ายสี่โมงครับอาจาร ย, บาย์บ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงใช่แล้วก็ลิงเยอะรอบนี้บางทีก็บางทีก็ไม่ได้เจอเลยแต่รอบนี้เหมือนมากันเต็มเลยอแต่ก็ก็ดีค่ะก็คิดว่าก็ก็ต้องทําไปเรืร่อยๆอาจารย์คือเราก็เห็นแล้วว่าเอถ้าเราจะอยากแบบเดินไปทางทําให้ ถึงที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องตัดทางโลกลงไปเรื่อยเื่อเรื่อยร่อยรื ย, รยวางมันออกไปเรื่อยเรื่อยเพื่อให้มันสงบลงจนหมดเลยจะได้ไม่มีพารามมผูคพันใช่ครับนนแต่ก็ก็ยังคุยกับแฟนว่าอย่างเรื่องงานเนี่ยก็จะค่อยค่อยปล่อยมือนะวางมือสอนคนขึ้นมาสอนคนขึ้นมาเพราะเราก็อยากจะไปถึงจุจดที่เป็น ที่สุดแห่งทุกข์นะพระเจาค่ะแต่เราก็ไม่ได้อยากวนเวียนอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเด็ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนกันดีเพราะว่าเกับมาเกิดมันก็ต้องวนเวียนอย่างเงี้ยพระเจ้าคือมันก็ต้องวนอยู่อย่างเงี้ยเรื่องเก่าเรื่องเดิมเน่ยเคยทำมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะใช่ค่ะหาเงินแล้วก็มานั่งปฏิบัติแล้วก็พยายามดับทุกข์แล้วก็ตายแล้วค่ะแล้วมาเกิดใหม่เป็นเหมือนเดิมงันั้นก็เลยว่าอะวางเป้าหมายไว้ให้มัน ให้มันแบบท้าทายหน่อยยังน้อยเราไปได้ถึงเหมือนกับตอนสมัยเรียนหนังสืออาจารย์คนหนึ่งจะบอกว่านั่นแหละเราวางไปเลยสอบให้ได้เกรดเอเพราะเราจะพยายามมากเขียนมากอย่างแย่เราก็ตกลงมาเป็นบีบวกเราจะไม่ตกลงไปเป็นดีด็อกแน่นอนถ้าเรามีเป้าหมายที่แบบชัดเจน ม, มุ่ง ม, มั่นอะไรอย่างเงี้ย โอเค okay. พยายามต่อไปนะใช่ครับอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไ ร, รครับ อ, อ, อาจารย์มมรอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะอ่านี่อาจารย์พรมพิรายวันนนุกูลว่างไงหลับหรื อ, อยังกลับมาแนละ้วมศักดิ์พัชการครับวันนี้รออยู่ค่ะวันนี้รออยู่งไงสุขสบายดี โอเคเลยครับพระอาจารย์วันนี้ได้ไปเจอเพื่อนๆนเป็นครั้งแรกในสองเดือนกว่าเนี่ยเรื่อง<ร>ที่ดูแลจูดี้ครับดีกันหน้าที่เขาดูแลจูดี่อยู่ก็อโอเคล่าเริ่องที่จูดี้ก็ดีต้องเป็นเป็นเหมือนเดิมจูดี้ก็เดิมตอนตอนตอนี้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชันย้ายมาหลายปีแล้วค คณะนี้ก็เป็นผู้ทำดูแลก็เป็นเรืของโจดี้นะที่มีเพื่อนฝูงคอยดูแลไม่มีญาติพี่น้องก็อาศัยเพื่อนฝูงับคณะนี้เขาก็ดูแลมาหลายปีมากเลยค่ะแล้วนี่มากกว่าสิบปีแล้วครับเพราะนี่เป็นคเมตตาเป็นการทําบุญทําทานนเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็มีมีเมตตา น่าเยอะแล้วก็ดูแลค่อนข้างดีจูดีเขาก็จะเขียนจดหมายขอบคุณเป็นลายบุคคลนะคะมุกโคงเขาสามารถเขียนได้ดีมันี่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็มารับฟังธรรมนะคะสวัสดีคระอาจารย์หายเจ็บหายไข้ให้เป็นปกตินะการดูแลธาตุขัน้วยนะคะรออากาศร้อนโอเคสาธุ คุณหมอป้าชนะเชิญค่าตอนนั้นมา ส, ส ก, การค่ะพระอาจารย์ก็ได้ไปตีวิเวกเหมือนกันนะพระอาจารย์ตีวิเวกที่โรงพยาบาลก็ไปเฝ้าก็คก็นั่งเดินทรกลมนั่งสมาธิได้ค่ะอาจารย์แล้วก็สงบแล้วก็มีแรงในการที่ดูแลพอได้อย่างดีเลยค่ะ อันนี้คุณพ่อยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยยังยังอยู่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อขอบคุณพ่ออาจารย์มากเลยนะคะคุณพ่อบอกว่าออกจากโรงพยาบาลคราวเนี้ยจะไปปฏิบัติธรรมเริ่มต้นจริงจังตอนนี้ก็เลยบอกคุณพ่อว่าอยู่บนเตียงก็ดีแล้วค่ะก็จะได้คุดโทรคุณพ่อก็เริ่มพูดโทรบนเตียงได้แล้วก็แล้วก็คุณพ่อบอกว่าที่ที่อยากทำอยากปฏิบัติคราวนี้เพราะว่าตอนที่ไม่มีสติในห้องไอซูเนี่ยเหมือนกับเดินทางคนเดียวเลยค่ะพระอาจารย์ได้ท่องป่าท่องอะไรคนเดียวแล้วก็มีพระอาจารย์ติ้งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคืเหมือนกับ มันอยู่ในใจอ่ะคะอาจารย์คุณพ่อกเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวออกมาคราวนี้จะตั้งใจปฏิบัติค่ะแล้วตัเองก็ไปพ่อก็รู้สึกว่าโอ้โช่งดีมากเลยคือออกมาได้คราวนี้เนี่ยก็คุณพ่อเขาคงจะแบบเริ่มต้นจริงจังค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยการเีความตายเนี่ยเหมือนเป็นตัวกระตุ้นเด่ที่สุดว่ า, านสติใช่เพราะว่าของตัวเองตอนที่เริ่มมาทําก็ตอนนั้นก็ เข้าไอซเหมือนกันพระอาจารย์เป็นทำงานเยอะจนกระทั่งแบบว่าติด ต, ติดเชื้อแทบสิทธิช็อกอะทำงานเยอะ mm hmm. เป็นคนที่ขยันเนี่ยพระอาจารย์ก็เห็นเลยแบบแล้วอยากนั่งสมาธิพอมาเจอพระอาจารย์จริงๆตอนแรกอยากแค่นั่งสมาธิะคะ่ะแต่พอพระอาจารย์สอนสั่งไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบเออความงงไม่ค่อยหลุดไปมันเลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั่งสมาธิพระอาจารย์สอนให้มันหลุดออกไปจากความทุกข์เลยะะพระอาจารย์ต้องขอพอบคุณอ่าแล้วก็หลวงพ่อนิพนก็ออกมาจากไอซแล้วนะคะก็เข้าห้องค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะบพระอาจารย์ ป็นที่คุณลูกตาลลูกตาลใช่ไหมน้มัสการครับอาจารย์สบายดีนะสบายดีค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะวันนี้เข้ามากับอาจารย์แล้วก็มาฟังธรรมค่ะโอเคอไปที่คุณเอกต่อเอกเชียงหายอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองเหรอเชียงราย การรมัสการพระอาจารย์ครับยูยงพวอเ ช, ชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเชียงแสนครับผมพวยเชียงแสนครับอาจารย์อำเภอไหที่อยู่สุนย์อดชองไทยเอ่ออำเภอแม่สายครับแม่สายอืมครับผมก็เก็บติดต่อกันนะครับเชียงแสนแม่สายเชียงของพระอาจารย์อืมอยู่ติดแม่น้ำแม่น้ำโขงนะครับอยู่ติดแม่น้ํำโขงครับเ <taraf. S 2> อ่อแถวสามเนียยตรงคําครับอำเภอเชียงแสนครับอาจารย์เชียงแสนแต่แม่สายแม่สายอยู่สูงกว่าเชียงแสน ครับผมอยู่สูงกว่าครับอยู่เหนือขึ้นไปไงครับผมก็ก็ไม่ห่างจากบ้านสักหลายครับประมาณสิบกว่ากิโลครับอาจารย์ครับอ๋อครับผมครับวันนี้เข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับก็ไปยังทําำคอมเพนอยู่ครทำคอมเพนอยู่ครับในสัจจีนอยู่บ้างอ๋อไม่ไม่ได้ทําในสัจจีครับผมกะว่าเดี๋ยวตอนเข้าพรรษากับอาจารย์ครับครับผม <Okay. S 2> แต่ก็วันศีลนี่ก็พยายามจะถึงศีลแปดอยู่ครับแต่ศีลที่ผ่านมานี้ถึงศีลเจ็ดครับอาจารย์ปฎีปวดท้องครับอเลยต่ต้องทานข้าวครับเพราะว่าน่าจะเป็นโครคกระเพาะอักขับแต่ผมก็ยังทําความเพียนอยู่ทั้ง อ, อตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าครับอาจารย์ครับอีกก็รวมได้อยู่ครับอาจารย์แต่ก็บุ๊ไปไม่นานครนับอาจารย์บู๊บบุ๊บ ก, ก็นิดเดียวครับพอสุกนิดนิดก็ ขึ้นมาแล้วโหลขึ้นมา อ, ม า, อ, ม า, อมาจารย์มาทำต่อไปอย่าเริ่มยังขาดหายไปกุนเองสัญญาณหายไปอย่ารอสัญญาณกลับมาสัญญาณเป็นานที่จังเงนินนะไม่เที่ยม โอเคนะคนเอกอธิบายนะอาจารย์ได้ยินไห ม, มครับมันหายไปตลาดนี่ที่พูดาอางนี้สัญญามันหยุดมันไม่เสียงไม่มาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมีอะไรไม่ไม่มีใช่ไหมอ่ะหายไปเลยน่อ่าบริษัทนี่แบงค์คัพอ่าการงานาชการพระอาจารย์ค่ะอ่าพระอาจารย์ค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าถือสินแต่อะค่ะก็ ห้ามใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าเป็นแต่ก็คือไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นสีขาวอย่างเดียวใช่ไหมคะก็แบบเรียงง่ายเรียงง่ายก็มักจะเป็นสีขาวมันเรียงง่ายถ้าเป็นสีสันง่ายมืันก็เป็นค่อนข้างใบหันระทางกลางมังลมอยู่ได้ค่ะ พว่าแต่ก่อนหนูสื่อสิ่งแปลกแต่ว่าหนูก็ไม่ได้สนใจเรื่องสีเสื้อผ้าแต่ว่าต่อไปจะปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนค่ะสีขาวหรือดาก็น่าสีบางแห่งก็กนุ่นุ่งดำห่ ม, มขาวบางแห่งก็นุ่งขาวห่มขาวอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของคนถือสิ่แปลกกันอ่าได้คะ่ะพระอาจารย์จะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะแล้วก็ไม่ใช้เครื่องสมอางไม่นทำผ้าทําผมเลย ว, วีได้อาบน้ำเสร็จวีได้ล้างหน้าล้างตาได้แต่ไม่ไม่เสริมความงามให้มันเป็นธรรมชาติหรือแบบเป็นธรรมชาติไปพระอาจารย์คุณขามีคำถามแค่นี้ค่ะพระอาจารย์อ่ะดีจ้ะสาธุาไปที่คุณมาิกาตลาที่วนัน ครับนมันมกส ก, การเจ้าขันผ้าจานวันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมนะคะผ้าจานแล้วก็ประกาศผ้าจานก็นั่งลุ้นอยู่ว่านะมันจะดับอีกไหมเพราว่าโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีค่ะผ้าจานอ่ก็ดีอย่าง น, นี้นั่งลุ้ น, นว่ามันจะมันจะดับไหมเพราะว่า อ, อาทิตย์ที่แล้วนั่นดับเออเ ม, เมันไม่ยอมติด<บ>เลยก็วันนี้ก็มันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แทน่นอนนะ โอเคไปที okay. ่คุณจุกโกเบใช่ไหมจุ๊โกเบ ก, ก, การใช่ไหสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้มีคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ในทางพุทธศาสนาเขาบอกว่าจิตกับใจไม่ใช่ตัวเดียวกันมันต่างกันยังไงขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมเจ้าค่ะ อามันเป็นท่านรู้มันส่วนเดียวกันแต่มัน ม, ม, นมีมันมีสองด้านเหมือนเหรียญไงมีหัวก็บก้อยหเหมือนเหร่ยญน ะ, ะใจถ้ารู้ก็มีใจกับจิตเนี่ยจิตก็เกี่ยวข้อเรื่องความคิดปรุงแต่งความรู้ความคิดอะไรต่างๆส่วนใจก็เกี่ยวข้อเรื่องอารมณ์เข้าใจไหมใจใจก <ใจ S 2> <ๆ>ับอัต อารมณ์เศร้าหมองอารมณ์สดใสเบิกบานอารมณ์อะไรเวลาเราพูดถึงอารมณ์เรามักจะพูดถึงใจแต่เวลาเราคิดเราพูดถึงเงื่องรู้สึกนึกคิดต่างๆเราเมื่อพูดถึงจิตนะเจ้าค่ะพาใจยังพอใจแล้วเจ้าเป็นตัวเดียวแต่มันเป็นสองด้านมันเหมือนเหรียญที่เป็นเหรียญอันเดียวแต่มีสองด้านนี่เหรียญเนี่ยยังไงก็คือจิตกับใจนี่ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมจ๊ะใช่มันอยู่ด้วยกัน กันนันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนทำหน้าที่สองอันหน้าที่ตัวหนึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์อีกตัวทำหน้าที่ย่เกี่ยวกับวกวความคิดปรุงแต่งเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอืมโอเคอันนี้มีแค่นี้เจ้าค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะ ต, ตัวกังวลก็คืออย่าเราอย่าให้มันผลิตความสุกขให้กับเราเท่านั้นเองเจ้าค่ะ อย่าไปเถียงกันให้เสียเวลาเป็นอันเดียวกันหรือไม่อันเดียวกันให้เรามาเอาวิธีหยุดความทุกข์ก็รล้กันด้วยการการจัดความอยาเจ้าค่ะโอเคนะขอบคุณพระอาจารย์เจ mm ้าค mm ่ะโอเคคุณมาลีเชิญพุทธการอ๋อพ่อค่ะพ่ออย่างปฏิบัติปกติจา เป็นไงบ้านเสร็จยังบ้านไห่ยังเลยค่ะเขาร อ, าอคิวมามามาติดตั้งวันที่ยี่ิเนี้ยค่ะหลวงพ่อติดตั้งอะไรนะไอเรือนนะคะออมาถึงยกมาทั้งเรือนนี่แหละใช่ใช่ค่ะอ๋อแบบแบบนอกดาวนี้ใช่ค่ะอืมดีนะง่ายดีอันนี้ทำอันนี้ทาฐานรองรับไว้ก่อนนะใช่ใช่ค่ะก็ทำฐานด้วยค่ะแล้วก็พอดีมีซ่อมบ้าน คู่มาด้วยค่ะปวดค้นค่ะหลวงพ่อก็เลยทำไปด้วยค่ะอืมนี่เราจะได้มีที่ปฏิบัติของเรามค่ะหลวงพ่อรอรอลุ้นอยู่ค่ะอยากให้เสร็จเร็วเวอืมอันนี้มีอะไรไ้ยวันนี้คือหลวงพ่อคะหนูขอถามยิ่งยิ่งปฏิบัตินะคะตอนตอนที่เป็นสมาธิค่ะมือ มือชาตาในมันแจ้งแล้วก็ตัวแข็งเหมือนเหมือนก้อนหินเหมือน่อนไม้อ ย, อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอสมาธิมันมันดีมากมันจะอยู่ได้นานตามที่เราอยากนั่งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอทีนี้เวลาถ้าถ้าเราจะเลิกเหมือนมันยังไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงมันไม่ออกมาจากสมาธิอะค่ะหลวงพ่ออันอันนี้มันจะถือว่ามันจะติดไหมคะหลวงพ่ อ, พอไม่ติดหรอกมันก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันก่อนจิตจะกลับเข้ามา ในร่างกายเมันก็ต้องใช้เวลาน่อนมันรถที่มันจะจอดมันวิ่งมามันก็ต้องค่อยๆผ่อนความเร็วมันเดี๋ยวค่อยจอดแต่แต่พอออกมาแล้วค่ะหลวงพ่อหนูหนูมีความรู้สึกว่าใจมันช้าหมายหมายถึงว่าเวลามันมีอะไรมากระทบอย่างเนี้ยค่ะมันไม่ได้วิ่งไปเต้นตามเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็มันไม่โอเบกทางเลยมันวางเฉยค่ะหลวงพ่อ แล้วแล้วถ้าเกิดนั่งได้แบบเนี้ยครั้งก็จะดีดีทุกครั้งเลยค่ะหลวงพหมายถึงสมาธิสติอะไรเนี้ยจะดีมากเลยค่ะแสดง<อ>ว่าเราเริ่มีความชํานาญอ๋อค่ะให้มันทุกครั้งนั่งนะมันดีแบบนี้ไปอยากให้ดีให้มันนั่งไปนานๆออกมาแล้วใจมันจะได้เย็นจะได้เย็นไปได้<อ>นานๆค่ะเข้าใจถ้าใจแล้ว <Okay. S 2> แล้วแล้วมันมีความสุขเหมือนใจเราก็อยากพอพอแบบเนี้มีใจมันก็ใฝ่ที่จะจะไปนั่งไปปฏิบัติเนี่ยนะมันจะไม่อยากจะได้ความสุขแบบนี้ความุ้ขจากความสมงบแนเนอนกว่าความสุขทั้งปวงอ๋อแล้วเมื่อกี้ที่หนุ่มพ่อเทศเรื่องเรื่องเสื้อผ้านหนูก็เพิ่งเข้าใจหนูเข้าใจว่าถึงแปดแต่ว่า เหมือนอยู่บ้านอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อใส่อะไรก็ได้เนี้่ค่ะไม่ไม่ได้ใส่ขาวเนี้ยหนูเข้าใจว่าใส่สีอะไรก็ได้ค่ะถูงแปดแต่ว่ายกเว้นไปอยู่วัดก็เป็นสีขาวอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อก็แล้วแต่เราจะเข่งขนาดไหนอ๋อค่ะหลวงพ่ออืม เั็นถ้าเราเป็นผ้าเราก็ใส่สีไหนก็ได้ถ้าอยู่ในกุติเราอเนี่ยหนูหนูหมายถึงว่าเวลาอยู่บ้านแล้วแล้วแล้วสมมุติถึงแปดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ขาวแต่ว่าเราก็จะไม่ได้แต่งหน้าแต่งสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แล้วทไมไม่ไปใส่สีขาวใส่ไม่ได้ยังไงอยู่บ้านก็ไม่อยากจะให้คนของโง่พูดว่ามันมันมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ คือมีคนคอยจับจ้องแล้วแล้วล่าสุดนะ่ะเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมากไปแล้วห ม, หมายถึงว่าปฏิบัตินะ่ะหนักเกินไปให้ไปคลายเครียดต้องพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่หนูว่ามีความสุขในใจแต่หนูยังไม่อยากพูดไปขัดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ขัดเขาละแล้วก็ไปล่อเขาพูดไปแล้วก็ทำของเราไปแล้วไปหนูก็<น>ไม่ขัดเขาเข้าใจเขาไม่เข้าใจเรา เก็พูดอะไรก็พูดไปแเราก็ทำ เ, เราก็ทำตามตามหน้าที่ของเราค่ะเขาก็มาเตือนเขาบอกว่าระวังเพี้ยนนะระวังแบบหลุดโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูในใจหนูมันหนักแน่นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดหนูปล่อยหนูไม่ได้สนใจปล่อยเขาพูดอะไรองเงี้ยค่ะกอ็ไม่เป็นไรถ้าไม่อยากเยอะถ้ามีปัญหาก็าใส่สีอื่นก็ได้แต่หนูจะพยายามดูเท่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าเท มันดูคนสู่พัฒนาเขาก็ใส่สีขาวได้เขาอยู่บ้านเขาใส่สีขาวมาว่าเขากาใส่สีขาวมันค่ะหนูเ <c oughs> พิ่งทราบว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นขาวถึงจะอยู่บ้านอะไรเงี <c oughs> ้ยค <c oughs> ่ะหลวงพ่อค่ะมันไม่ได้อยู่บ้านดูอยู่วัดมันอยู่ที่ศีลถือศีลแปดขึ้นค่ะหลวงพ่ออยู่อยู่ที่ใจว่าเราตั้งมั่นขนาดไหนอย่างเงี้ยหนูคิดอย่างนีงงค้ค่ะหนูก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องสีค่ะหลวงพ่อ ใช่แม่นก็แมันก็มีส่วนเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ค่ะคุณคุณสาวค่ะหลวงพ่อของขอะคุณว่างเลยค่ะหลวงพ่ออ่าตาตื้นตาตูนค่ะถ้าเราโกนหัวแล้วใช้สบายขาวด้วยนี่อาจจะมากไปหน่อยก็ได้แต่ถ้ายังไม่โกนหัวแต่เราใส่เสื้อขาวมันเป็นหลักหัวใครกันเดนักเรียนมันยังใส่เสื้อขาวกันได้นะเราจะใส่ เดี๋ยวให้ให้ให้เรียนหนูเสร็จเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับหนูอีกอะค่ะหลวงพ่อหนูก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าใจมันสุกอยู่ที่ใจแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรกับเขาค่ะหลวงพ่ออืมอาที่นี้หนูก็ไม่ได้ไปอยู่วัด น, นะคะพอดีพระที่วัดท่านไปไปขึ้นอะไรนะคะไปไปอยู่ถ้าไปปฏิบัติอะคะ่ะหลวงพ่อไปทั้งวัดเลยไ ป, ไปเปรี้ยๆค่ะหลวงพ่อไปไปที่ชยยัยภูมิค่ะถ้าพระค่ะค่ ค่ะหลวงพ่อหนูหนูก็อยากจะไปแต่ว่าหนูต้องลางานหลายวันหนูก็เลยไปไม่ได้จะไปเป็นกลุ่มดีวกว่าอย่าไปแบบคนเดียวดีกว่าวิเวงดีกว่าค่ะหลวงพ่อใช่ค่ะหลว ง, งพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุสาธุค่ะคุณโอ๋พีเกน้ำตานวัตกรรมพระอาจารย์เจ้คาค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงไหมเจ้าค่ะได้ยินได้ เ, ดเจ้าคะ่ะ ก็ช่วง น, นี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังปรับตัวอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องสีนแปดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เรื่องขนมหวานเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ อ, อลูกรู้สึกว่างานอาชีพของลูกเนี่ยเริ่มขัดเพราะว่าการค้าขายเนี่ยมันก็จะมีความอยากขายของได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นความโลภใช่ไหมคะถ้ามันถ้า ม, มันขายของพอเลี้ยงอยู่พอพอพ อ, อยู่พอกินก็พอี้อือ เพราะเหมือนบางทีมันจะจะเริ่มขัดขาดอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์นะว่าไม่ขัดหรอกถ้าเราหาพออยู่พอกินอยู่ไม่ขาดนะคะเรื่องราคาของอะไรอย่างนี้ก็แต่ตอนนี้ลูกสงสัยแต่ลูกก็ก็กระสางแลค่ะจากการได้ยินฟังทำของท่านพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเรื่องราคาของก็คืออยู่ที่ลูกค้าใช่ไหมจ้พระอาจารย์ใช่ราคาเรื่องราคาดูราคาราคาตามท้องตลาดเขาขายเท่าไหร่เขาขายตามนั้นไป ใช่ไหมไปดูที่ร้านเซเว่นาขายเท่านั้นเราก็มาขายเท่าเราใช่ค่ะอาจารย์่แล้วก็เรื่องขนมเจ้าค่ะอาจารย์ลูกปรับปรับให้เหมือนกับเรื่องอกาแฟเจ้าค่ะเพราะว่ากาแฟลูกเลือกได้ใช่ไหมเจ้าค่ะขนมก็เลยบางทีปฏิเสธไม่ได้จริงเหมือนคุณแม่ของแฟนเขาไปยื่นมาให้กับมืออะไรเงี้ยลูกก็ต้องรับอะไรอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าก็ให้แบบอาทิตย์หนึ่งได้สักสองสวันแต่คือไม่เยอะ ก็ได้แค่ชิ้มสองชิ้นอย่างนี้จ้าค่ะอาจารย์ก็คือตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากมากเลยจ้าค่ะอาจารย์ความอยากขนมก็ลดลงไปพอสมควรแล้วจ้ะค่ะก็ไมัน่ได้บอกให้มันกินกับมอาหารก็แล้วกันอย่าไปกินระหว่างมือ้ออย่าไปกินนะคะคช่วงที่พร้อมอาหารอย่าพร้อมอาหาระะช่วงที่ไม่ใช่เป็นช่วงกินก็อย่าไปกินดื่มะะอย่างเดียวดื่มน้ําเปล่า อ, อย่างเดียวได้อยู่น้าแต่ไม่กินขนมกอบแกรบขึ้นนู่นนี่นี้ แล้าจะกินก็ให้มันกินพร้อมอาหารไปเปิดโอกาสเปิดช่องให้มันถ pues ้าอกินของอะไรก็กินพร้อมๆอาหารไปหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไปแต่พอจบแล้วก็จบเลยไม่มีอาหารอย่างที่นี่ที่วัดในพระก็ฉันมือเดียวนี่พอช่วงฉันมือเดียวนี่เวลาฉันใขรจะถวายแล้วก็ฉันได้หมดนะไอ้ตรงให้เต็มขนมนวานี่ยของเคี้ยวกรอบอะไรกินได้หมด ก็ชั้นเสร็จแล้วจบนะไม่มีตับไม่มีนะต้องรอพรุ่งนี้ถ้าจะกินก็รอพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวปรับจค่ะแต่เป็นเร<ต>ื่องเามั<ห>นเป็นเรื่เวลาแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ก็คืออยู่ในในมื้อจะขับพาจารย์แต่มีอาจจะมียืดหน่อยอย่างที่เหมือนที่ลูกไปกับเต ร, รียนพาจานนะที่แล้วจะเหมือน <ường. S 2> พวกใข่ไปด้วยบางทีแบบว่าชอบกินขนมแล้วไปกินข้าวที่ร้านเนี่ยกินขนมในรถแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอะไรอย่างนี้จะขับพาจานเลยกลายเป็นว่า ทุก็คิดในใจว่าเอ้เป็นมือเดียวแต่มือเดียวที่ยืดหน่อ ย, องงยแต่พระอาจารย์นะว่า <c oughs> เป็นสองมือเลยก็เลยปรับเลยจ้าค่ะตอนนี้ก็คือให้อยู่ในมื้อเดียวยอะไรอย่างนี้จา้าค่ะแล้วก็เขาว่าคือปฏิเสธไม่ได้จ้าค่ะพระอาจารย์บาทีเขาเอามาให้แล้วพอเราไม่ทานเขาก็แบบน้อยใจเสียใจอะไรอย่างนี้จ้าค่ะแต่ต้องต้องปรับเขจะรู้ไงว่าเรากินหรือไม่กินแล้ว <c oughs> รับ <c oughs> ไว้แล้วก็จบอะไอย่างนี้ะอาจารย์อยู่ในบ้านเนี แล้วพอลูกกินได้ครัวอะไรอย่าก็เด well ี๋ยวเขาเรียนว่าอื้อขนมจะวางอยู่ก็เอาไว้กินบ่อแม่เอาไว้กินพร้อแม่จต่พร้อมจ้าค่ะอาจารย์ก็คือลูกลูกไม่เอาเอาไปทานเวลาอื่นเลยจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้คือมื้อเดียวจบไปเลยจ้าค่ะโอเคดีจ้าพะอาจารย์แล้วก็เรื่องการเจริญสติจ้าค่ะช่วงนี้ลูกใช้วิธีบอกว่าหยุดความคิดจ้าค่ะลองเราไม่ไม่ไม่ใช้คําบริกรรมอะไรนี้จ้าค่ะก็คือว่าพยายามไม่ไม่ต้องคิดแต่ถ้าจะคิดก็อยู่คําบริกรรมบ้างแล้วก็ ดูลมหายใจบ้างแต่รู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาจากหน้านเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับมาจากบ้านรอบนี้เนี่ยยังอยู่กับลมหายใจไม่ค่อยได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ยังดูลมหายใจไม่ค่อยได้เะไรย่งนีเจ้าค่ะแต่ฝึกว่ากำลังมาฝึกให้หยุดคิดอย่างนี้เจ้าค่ะได้พระอาจารย์จะพอได้จช่ไหมมันหยุดคิดก็แล้วกันเจ้าค่ะก็มีเท่านี้เจ้าค่ะวันนี้กับเข้ามาคืออยากสนค่ะโอเคสาธุพระพอาจารย์ okay, ฤฤมีอะไรแ<า>นะนำเพิเ่มเติมไหมเจ้าค่ะ ทำม่งว่าอ่าคเจค่ะสาธุเจ้าค่ะกับขาว่าคุณเจ้าค่ะโอเคคุณสบันาใช่กรากล่าวด้วมาสการเจ้าค่ะอาจารย์เข้าเข้ามารวมฟังธรรมเจ้าค่ะไม่มีอะไรนะมีเจ้าค่ะอเคค่ะเจ้าปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะของคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุนนี้ขาวหมดเม่อขาวเสื้อขาวนะก่ ปล่อยวันให้มันเป็นไปเล้วค่ะพระอาจารย์ก็ยอมก็จัดอนาตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเนอะค่ะยอมยอมอย่างที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะพระอาจารย์สบายจะตายไปแล้วไม่ต้องมาคอยกังวลเน้ะค่ะอืมตันให้เกือบหมดแล้วเจ้าค่ะเครื่อสมอ่างไม่ไม่ได้ใช้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ได้ไม่ตายนะเนอะค่ะอยู่สบายกว่าสบายกว่ามีของจุกจิกต้องมาคอย ไม่ใชมันขอพระอาจารย์ใช่เจ้าค่ะ้าค่ะโอเคได้คุณนิสาเอดนข่าวว่าเจอพายุนะสองาวันก่อนกลับนมัสการคะ่ะพระอาจารย์ค่ะก็มีที่บ้านลูกไม่มีปัญหาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเห็นมันจะมีตรงส่วนใหญ่มันจะเป็นตรงที่มันเป็นฮิลอะค่ะเป็นพวก ล่าสุดเห็นที่ตรงฮอลลีวูดฮิลล์มั้งค่ะดินถล่มนะใช่ค่ะดินถล่มลงมาบ้านบ้านที่แบบอยู่บนเนินเขาแบบสวยๆอะค่ะเสียดายเลยใช่ค่ะพระจารูกเคยขึ้นไปแบบครูก็ยังคิดเลยโอ้โหช่างไปอยู่กันจังเลยไม่กลัวกันเลยนะแต่ว่าโหก็น่ากลัวจริงๆฝนมันไม่ได้ตกเยอะนะคะพระจาร์ถ้าเทียบกับเมืองไทยตกตกไม่เยอะมากค่ะแต่ว่า เออมันคงมีการสะสมอะค่ะอืมค่ะเสียดายค่ะสําหรับลูกก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์สงบดีค่ะพระอาจารย์อีอย่าไปไทุกข์ก่ับอะไรนะค่ะไม่ทุกข์ค่ะพยายามค่ะรักษาใจให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะคำต่อไปค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขันธ์นะค ะ, อะขอบคุณแปงพัทยา เป็นแฟนได้ยินไหมแบบนมันส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่าอะอมีอะไรไหมเมื่อคราวที่แล้วที่ลูกเข้าห้องซูมได้ถามพระอาจารย์เรื่องเพื่อการปวดหลังปวดท้องแล้วลูกอาทิตย์นี้ลูกไม่ได้นั่งสมาธิเจ้าค่ะนั่งฟังธรรมแทนแล้วก็อาการปวดละหายไปแล้วเจ้าค่ะอืมแล้วปวดท้องลูก เอ่อถือศีลแปดรันทะลูกปวดท้องเจ้าค่ะและ้วแล้วเหมือนจะทานน้าก็ไม่ได้เจ้าค่ะแล้วทำไมมันมันมันปวดเพราะเราบังคับถือศีลแปดเนี่ยน่าจะอย่างนั้นค่ะเพราะว่าลูกสังเกตดูแล้วว่าเป็นหลายอาทิตย์แล้วเจ้าค่ะแล้ไมก็อื่นเขไม่เป็นกันลูกลูกก็ไม่แน่ใจใเจ้าค่ะลูกจะยังไงต่อดีลูกจะเอาอยัางไงต่อดี ก็แล้วแต่พราพุทธะ้าบอกว่าถ้าอยากจะได้ธรรมะ ก, ก็ถ้าจะต้องตายก็ยอมตายไปซะแล้วถ้าจะต้องเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเจ้าค่ะลูกคิดอย่างนั้นเจ้าเหมือนกันเจ้าค่ะก็ลองดูสัพตั้งหรือหรือให้ไปหมอตรวจดูก่อนว่ามันมันเป็นเฉพาะตอนที่เราถือชิ้นแปดอย่างเดีย ว, วเลวลาไม่ถือไม่เป็นอ่ะใช่เจ้าค่ะเพราะว่าลูกถือลูกถือชิ้นแปดวันพระจะเป็นวันพระเจ้าค่ะอืม แล้วมันก็มันก็จะปวดต่างไหนแล้วจากเชี่ยงวันไปได้เลยตอนตอนไหนตอนที่กินยังไม่ปวดใช่ไหมตอนที่กินลูกก็ปวดแล้วก็แล้วก็อย่างช่วงลูกทานน้าเยอะก็ไม่ได้ถ่ายท้องเลยเจ้าค่ะเป็นในว่า ว, วันที่เราซื้อสินแบ่อย่างเดียวใช่เจ้าค่ะถ้าไม่ซือสินแบ่ก็ไม่เป็นใช่เจ้าค่ะทำไม่รู้จะทำอะไรเรา ลูกคงต้องสู้สู้กับเขาัะต้องเหมือนที่พ่อต า, าบอกใช่ปะอืมถ้ามันฟังแล้วมันไม่มีเหตุมีผลนะมันถ้ามั น, น, นถ้าถ้ามันเสกสนแปลแล้วมันปวดทุกคนที่เสกสินแปก็ต้องปวนเหมือนเราถ้าจะเกิดจากเอ่อเหมือนที่ลูกลูกเป็นคนทานน้อยเหมือนลูกพยายามตัดเรื่องเรื่องเรื่องความอยากอย่างเงี้ยจ๊ะปะ แล้วก็ทานน้ำอยู่แล้วทานน้ำเครื่องดื่มอะไรไม่มีมีแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเจ้าค่ะเวลาหิวก็ทานน้เวลาหิวก็ทานน้ ำ, นนนำอันนี้คือปฏิบัติแบบนี้มามาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะนา่าจะเป็นปีได้แล้วเจ้าค่ะแต่ว่าเวลาเวลาเป็ น, ปนยังไงเ อ, อ่อมันก็ก็มีมีปวดท้องเหมือนกันเวลาทานข้าวถึงจะทานสามมือก็ปวดตอนทานเหมือนกันค่ะแต่ว่า แต่ไม่เหมือนในวันพักที่ลูกวันที่ลูกถือสินแปดนะคะอืมคือถ้ามันซื้สินแปรตแล้วปวดมันน่าจะปวดตอนที่เราไม่ได้กินข้าวมากกว่าเลยช่วงเช้ามันยังไม่น่าจะปวดเนี่ยช่วงเช้าช่วงเที่ยงมันยังได้กินข้าวอยู่มันไม่น่าจะปวดแอ่ถ้าช่วงเย็นไปแล้วมันไม่ไม่ได้กินข้าวแล้วมันปวดนี่ก็อาจจะพอจะเข้าใจยแต่ถ้ามันปวดตั้งปวดตั้งแต่ แต่เช้ามาเลยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของกินอาหารแล้วไม่กินอาหารก็ไม่ได้ไม่ได้ทรมานนะคะแต่ว่าจะจะเป็นจะเป็นแบบถ่ายท้องอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะ อ, อันนี้ก็ไม่รู้ไปถ้าอยากจะหายอยากจะแก้ปัญหาก็ลองไปปรึกษากับหมอดูลูก ตอนนี้เหมือนลูกฟังเทศพระอาจารย์ลูกก็ไม่สนใจเรื่องการเจ็บปวดไม่อยากไปหาหมอแล้วเจ้าค่ะอยากให้เป็นไปาแต่ว่าก็ ม, มันจะเป็นกงฝันมันเป็นไปแล้วอย่าไปกังวลอย่ามันเจ้าค่ะอืมอาทิตย์นี้ลูกก็ลูกก็ฟังคำแล้วก็บริกรรมพุทธโธระหว่างวันบ้างเจ้าค่ะก็ไม่ ไ, ได้นั่งสมาธิดังดังได้น้อยมากค่ะมืน มันเอาไม่อยู่เลยอะอาทิตย์นี้เจ้า่ะก็เลยต้องหัดแลทําดแผนเจ้าคขา อ, บบอ่ต้องวุฒิออกบ่อยๆตั้งมาเจ้าขาเราอย่าทจาจะเฉพาะเวลามานั่งต้องทําก่อนได้เรามานั่งด้วยเจ้าขาโอเคนะเจ้าค่ะมีเท่านี้เจ้าค่ะวันนี้โอเคน้องกายข อ, ขอบคุณนะจู่คุณอ้มบอกวิน เป็นยังไงไปมาแล้วหรือมองนอกน่ามาสการค่ะพระอาจารย์ไปวันเสาร์จะไปวันเสาร์เนี้ยค่ะสองอาทิตย์เนี่ยไปดูงานเนี่ยไปฝึกงานไปอบรมค่ะอบรมเป็นเด็กไม่ดีทั้งนถูกบอกไปอบรมความรู้เพิ่มเติมค่ะพระอาจารย์ เกี่ยวกับทางไหนเกี่ยวกับทางการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นนักชีววิทยาเลยอ่าจุลชีวะค่ะจุลชีวะแค่คล้ายที่แค่ล้ายที่พระอาจารย์สอนฆ่ากิเลสเลยน่คะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกวิธีแบบนึ่งฆ่าเชื้อหรือว่าใช้ความร้อนหรือว่าใช้สารเคมีอะค่ะ แต่มันก็จะมีฟันดิชั่นที่แบบเป็นอุณหภูมิความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใช้เชื้อเพื่อเป็นตัวชาเลนจ์เหมือนกันอืมก็ดีกำจัดมันได้ก็ดีค่ะ <c oughs> อันนี้ในคนไข้นะว่าอะไรอะไรอ๋อในายาค่ะในยาค่ะ <c oughs> ในยาก็ไม่เชื่อมอนกันอะ ค่ะก็ก็ต้องทําให้ยาป่าเสจากเชื้อค่ะมันเป็นยาสเตอร์ลน์อะค่ะพระอาจารย์อ่าก็ห้องห้องห้องบริจยามันก็ต้องเป็นห้องสเตอร์ลน์ใช่ค่ะเป็นห้องสะอาดใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าห้องคีนลูมค่ะอืมแลมันก็ยังไม่เชื่อลงเข้าไปได้นะก็มันก็ปนเปื้อนมากับคนนะคะอืมฉะนั้นก็ต้องมีการควบคุมการแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็พวกโปรเซตอะไรเงี้ยค่ะเป็นระบบปิดระบบเปิดในการผลิตอย่างเงี้ยค่ะก็มีควบคุมหลายอย่างค่ะพวกน้ําพวกลมที่เข้าไปในห้องอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกอย่างที่เข้าไปในขบวนการผลิตก็ต้องใช่ค่ะต้องควบคุมทุกอย่างค่ะก็ลดการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมก็คือพวกเชื้อโรคเงี้ยให้น้อยที่สุดค่ะอื แล้วมันเป็นยายาเม็ดหรื อ, อยาน้ําหรื อ, อยาเป็นยาน้ําค่ะภรอาจารย์ยาฉีดเออขาเป็นเป็นเป็นยาสเตอร์ไลน์ค่ะอโอเคขอให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะ่สาธุค่ะพระอาจารย์ไปที่คุณช่วยรักเสมอ ทำม่มไม่มีใครถือสินแปกันแค่สินเจ็ดกันก น, นัมันเป็นยังไงอย่งงางนี้าจารย์ค่ะพอาจารย์คุณปุ้ยสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีไหมคะสบายตลอดคะคุณปุ้ยถือศีลเจ็ดตอนกลางวันแล้วก็หลังห้าโมงถือสินแปดเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์แต่เพิ่มเติมคือว่าสัปดาห์เนี้โยมนั่งสมาธิเยอะมากอะ่ะ แล้มันมันนิ่งมันนิ่งคือเหมือนกับน้องคนที่ใส่แว่นตาใส่เสื้อสีมว่มวงพูดอ่ะเนอะยมเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ได้ปวดแต่ว่ามันมียมเห็นน่ะในความรู้สึกที่เรานั่งอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนเอามีดมาแทงสองข้างของยมอย่างเนี้ยคือยมเห็นเลยแบบเห็น่ะตัวตัวมันใสใสอ่ะตัวเราอ่ะใสใสแลยมันเหมือนกับ คนเอามีดมาแทงโยมแต่โยมก็ไม่ได้กลัวหรอกนะโยมก็บอกว่าเพราะว่าพระอาจารย์สอนว่าถ้าให้ให้อย่าอย่าติดอยู่ตรงนั้นให้ให้ให้มองแล้วก็ผ่านไปอะได้มันเป็นขอบมคิดปรุงแต่งนั้นใช่โยมก็เลยมันเป็นจริงใดอย่างไรเพราะว่าถามว่าโยมเห็นสวรรค์นรกอะไรไม่ไม่เห็นหรอกพระอาจารย์เพียงแต่ว่าโยมรู้สึกว่าถ้าเราปฏิบัติมาก เราอยู่ในสีในธรรมมากคือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะคุ้มครองเราเพราะว่าโยมสังเกต ด, ดูนะพระอาจารย์โยมไม่ได้ถูกป่วยแต่ว่าโยมไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคือโยมไม่ได้เตรียมตัวอะไรอะไรไปเลยโยมเอากระดาษไปเดินท่องๆๆไปอย่างเงี้ยคือโยมจะรู้เลยว่าจะต้องไปติดต่อคนคนนี้มันเหมือนจะมีอะไรบอกกับโยมอ่ะเป็นเซนที่มาบอกกับโยมอ่ะคือมันอาจจะเป็นบุญบา ร, รมีที่โยมเข้ามาหาพระอาจารย์มาสร้างบุญกับพระอาจารย์ค่ะ ไม่อย่าเเอาเอาเราไปโยงเรื่องของคุณเลยไม่เกี่ยวได้ได้บารมีของพระอาจารย์ครับบารมีของคนดีกว่าง่ายเพราะไม่เพราะโยมก็ได้บารมีของพระอาจารย์โยมถึงได้สิริแปดมาได้มากกว่าหนึ่งปีโยมก็ไม่มีอะไรโยมก็มาถวายบุญกับพระอาจารย์นะฮะโยมทําบุญของโยมไปเรื่อยแล้วก็สิริแปดได้เดี๋ยวสงการโยมก็ไปทําอีกนี่คะ เมื่อร่จกลับองไทยเคยกลับมาเองไทยบ้างบ้างไหมยังไม่ได้กลับคือโยมมีปัญหาอยู่แต่โยมก็ไม่กล้าคุยอะไรกับใครเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินหลกพิการย์ถ้าเลือกถ้าถ้าโยมจะกลับพรุ่งนี้โยมก็กลับได้แต่ทีนี้โยมมีทะเบียนบ้านแล้วโยมโดนแกล้งโยมอยู่หลักสี่บ้านโยมมาอยู่หลักสี่ลุงลุงโยมมาเสียชีวิตและทีนี้ป้าคนที่พิการที่ดูแลโยมอยู่ดูแลไม่อยู่ดูแลคุลุง เขาก็ถูกส่งไปที่แปดลิ้วแล้วเขาก็ไปตายแล้วทีนี้โยมโยมก็ไม่รู้ตอนที่เขาเสียตอนนั้นไอ้กรุงเทพอบะมันน้ำท่วมอันี้โยมโยมมารู้ทีหลังว่าเขาตามหาตัวโยมพี่สาวโยมก็มามาบอกพอโยมเพิ่งคุยโยมเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับพี่กอบน้องเพราะอายุมันห่างกันเยอะและคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาบอกว่าเอ้ทำไมเองจะต้องสวดมวนต์ไหว้พระประจำ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบพูดให้เราแบบเรารู้สึกไม่ดีเราก็ไม่ไม่อย่าอย่ไปยุ่งไงง่ายแล้วเขาจะพอบคุยเกี่ยวกับเรื่องทองทองเลยไม่อยากจะกลับเมืองไทยอืมันไม่ใช่อะอาจารย์คือคือคนเราอะอยู่ในบ้านนั้นแล้วเราก็เป็นเจ้าบ้านแล้วแล้วเหมือนกับ<ม>เราเป็นเจ้าของแล้วแต่ว่าลูกของอาโยมซึ่งเขาก็มายึดเพราะว่าเจ้าของบ้านอะเสียชีวิตแล้วโยมก็ไม่อยู่เขาก็เลยไปไป ทำให้โยมาเป็นคนสูญหายและทีนี้มันประกอบกับว่าพาสปอร์ตดอยางแล้วไม่ได้ไม่อยากยางนี้ใช่ค่ะใช่พระอาจารโผล่เข้ามาโผล่เข้ามากันอย่ขอขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะโยงก็โยงก็มาถวายบุญกับพระอาจารย์ค่ะขอให้คุณปุ้ยมีแตความสุขความเจริญความร่ำรวยนะสาธุค่ะพระาจารย์ ขอบคุณยศสวัสดีเชิญแม่มาตร ก, การเจ้ค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นยังไงค่ะก็วันนี้ลิสไว้ก่อนว่าจะคุยอะไรกับพระอาจารย์บ้างก็ก็ที่ว่าจะนอนพื้นนะคะพระอาจารย์ก็นอนได้สบายสบายอยู่ค่ะอืมเล็กๆปวดหลังบ้างแต่ก็นอนได้ติดใจเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มไม่แต่งหน้าเลยแต่ว่าเพิ่งทราบเมื่อสักครู่เหมือนกันเรื่องเสื้อผ้าค่ะ Mm hmm. ก็ไปทํางานปกติแต่ก็ถึงสินแปดค่ะอาจารย์แล้วไม่อยู่วันหนึง่งก็ถึงสินแปดเนี่ยระะาคานาดลนไปทํางานแล้วเพื่อนมาเซอร mm ์ไพรส์ให้ไปเบิร์ดเดย์เขาก็แบบถอนหน้ากากสิแล้วก็ถอดห น, น้ากากก็น่าสดสดลนๆนะคะอาจารย์แต่เขาก็น่าจะชินชินแล้วเพราะว่าวันหนุก็ไม่ได้แต่งหน้าไปทํา mm hmm. ไปทํางานนะคะอาจารย์อ mm hmm. ก็อยู่ได้คะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนเครียดชอบแอบไปดูมวยะคะ่ะอาจารย์ชอบดูมวย mm hmm. ก็เลย อาจจะไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่หมายถึงสีนั่นนะคะพระอาจารย์แล้วก็เป็นบรรเทิงอยู่นู้นก็เป็นบรรทิงค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าก็ยังมีท่องตรงนั้นบ้างคะ่ะพระอาจารย์ก็ดนูทำอะไรเวลาเชื่กันฟังทำไหมอ่ะก <c oughs> ็ฟังเถอะพระาจย์แล้วก็ที่พระอาจารย์สอนเรื่องการกินนะคะว่าให้พิจารณาอาหารเก่าอาหารใหม่ถ้าเกิดอยากอาหาร หนูใช้วิธีของพราอาจารย์ค่ะภายในยี่สิบวันหนูลงมาห้ากิโลแล้วก็เอวหายไปสามนิ้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ทานมือเดียวได้ปกติเลยค่ะไม่ถือสินแปก็ทานมือเดียวค่ะก็มไม่ได้โหอยอะไรค่ะพระอาจารย์แต่ช่วงแรกๆอะค่ะจะมีบ้างแต่ก็นึกถึงอาหารเก่าอาหารใหม่อย่างที่พราร์จานบอกก็ไม่อยากค่ะก็เลยเพิ่งทราบว่ามันเป็นความอยากค่ะพระาราจา์ไม่ใช่ความหิบอืมค่ะให้น่งกายน่าจะกินวันละมือมันก็อยู่ได้นะ ค่ะแล้วก็คล่องตัวขึ้นนะคะไม่รู้ว่าพอน้ำหนักลงได้หรือเปล่านะคะก็เลยคล่องตัวขึ้นมันใช่มันคล่องแค่วางไว้ึ้นใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องของการนั่งสมาธิค่ะเห็นเพื่อนๆคุยถึงเรื่องว่าได้ยินเสียงแปลกๆหนูช่วงที่นั่งสมาธิเยอะหนูก็มีนะคะอาจารย์แต่ว่าจะบอกกับพอได้ยินเสียงก็จะบอกกับตัวเองว่ากิเลสหลอก แล้วก็ไม่สนใจค่ะก็ก็อยู่กับเสียงนั้นไปแล้วมันก็หายไปเองค่ะอาจารย์ค่ะคิดซะว่าโดนหรอไม่ต้องไปกลัว <ดน S 2> มัวหมนหรอไม่มีสาระเลยค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะอาจารย์วันนี้เพิ่งประชุมคุยงานอะไรเสร็จโดนได้ ง, งานมานิดหน่อยค่ะเรา ก, ก็ก็เลยวางแผนว่าจะไปขึ้นเขาเดือนเดือนเนี้ยค่ะปลายเดือนก็เลยมีเรื่องให้รีบทําค่ะกลัวไม่ได้ขึ้นเขาค่ะอาจารย์เท่านี้ค่ะ โอเคต้องวางแผนไว้เราจะได้ทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ท่ันแข็งแรงเจ้าค่ะ่าธคุณอาจารย์ชายทีย์อาจารย์กลบาวนามสกุลพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไง YouTube YouTube ยังยังมีปัญหาอยู่อ่ะ ไม่ได้กดตึ๊ดตึดแล้วก็หยุดดูค่ะพระอาจารย์อ่า <laughs> ข้อนี้ข้อนี้ยังยังไม่ไม่ไม่ไม่บริสุทธิ์ค่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บันเทิงแต่ว่าหมายถึงว่าหนูหนูคิดเล่นๆแต่จริงแล้ว ม, มันก็คือบันเทิงค่ะพระอาจารย์มันก็ไปเผลอดูเวลาเขาขายของอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เผลอเผลอจอดดูแล้วก็เอาอีกล้วแล้วค่ะ ส่วนเรื่องเรื่องอาหารก็ส่วนใหญ่จะเป็นมื้อเดียวค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีหลุดไปสองมือ้ออ่าวันที่มีเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงส่งลูกศิษย์อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตอแรกแต่แรกจะเป็นมื้อเดียวแล้วไม่ไหวค่ะพระอาจารย์อ่อดข้ามประมาณอดข้ามวันไปค่ะพระอาจารย์แล้วมันหิวก็มองหาโอ๊ยไม่ไหวแล้วไปขอกินโจ ก, ก่อนเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่แรกแต่แรกคิดว่าแบบ มันน่าจะสักประมาณสามสิบชั่วโมง้ดร<า>่ง า, างกายมันบอกหิวแล้วว่าใจบอกถิวว่าปะเอ๊ะมันจะร่างกายนะคะพระอาวาุโสร่างกายมันจะบอกเราได้ไงเอองั้นงั้นงั้นใจคะ่ะ <laughs> ก็เลยก็เลยก็เลยทานไปสองสองสองสองครั้งค่ะในวันนั้นค่ะแต่ว่าวันอื่นๆก็ก็วันเดียวจริงๆไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรค่ะพระอาจารย์ วันนี้ยังแอบคิดเลยว่าสงสัยต่อไปเราจะรวยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรแล้วค่ะพระอาจารย์อตู้ตเย็นหนูของเต็มเลยค่ะกินเหลือกินเหลือเราก็ยัดยัดแล้วก็มาดูโอ้แต่แลราที่เรากินกินเกินนี้มันเยอะมากแล้วก็พอแล้วก็เอาไปเอาไปเอาไปกําจัดค่ะพระอาจารย์ก็เลยเห็นแว่าเออจริงๆเรากินเราเราเหมือนเราก็พุ่มเฟื่อยค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่า เราซื้อมาเยอะซื้อมาตุนแล้วเราก็กินพอกินมื้อเดียวแล้วมันก็เหลือเหลือทิ้งค่ะพระอาจารย์กินกินไม่ทานแล้วก็รู้ว่าต่อไปซื้อกินไม่ต้องเยอะก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่ากินแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อยู่มานุ่งนานเพิ่งวันรู้เลรู้ว่ากินได้ของเมื่อก่อนยังไม่รู้เลยเนะ ทำอะไรก็ต้องเอาไว้ก่อนนะเผื่อไว้ก่อนนะตนทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์แล้วต้องตุนเยอะด้วยอันนี้ชอบตุนมากกลัวหิวอกลัวกลัวหิวและและอยากกินอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อันนี้ของชอบตุนที่ไรเยอะเยอะพอตุนก็อดไม่ได้ก็ต้องก็ต้องกินแล้วก็กินเยอะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หยุดไม่ได้แล้วก็เรื่องสินแปรที่ที่พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องชุดอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ เสื้อผาดอกลายดอกไม้สีสวยๆเยอะแยะเลยค่ะาาอาจารย์นึกว่าไม่ไม่เกี่ยวนู่นเป็นเครื่องแค่แบบเครื่องทัด น, นู่นนี่นั่นหรืออะไรเงีย้ยค่ะคราวนี้ก็คงจะได้ประหยัดเสื้อผ้าพอใช่ไค่ะคราวนี้คงประหยัดเงินไม่ได้ไปซื้ อ, อแต่ก่อนก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้น่าสนใจนะอะไรเงี้ยค่ะาาอาจารย์ต่อไปก็คงไม่ไม่ซื้อพวกพวกนี้แล้วค่ะก็คงจะเป็นสีที่ไม่ฉุดชะ ขาวดำน้ำตาลน้ำเงินอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเรียบเรียบยงมีสีดีเลยเลยต้องมีสีด้วยสีมันก็สีมันก็บอกว่าเป็นเรื่องเรื่องของกาลเลค่ะสีสีสีน้ำตาลได้ไหมคะพระอาจารย์อ่อทำไมต้องสีน้ำตาลด้วย่ะคือคือหนูมีมี ซื้อชุดที่สั่งมาคล้ายๆตอนที่ที่แม่ชีเขาทําอาหารแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นชุดน้ําตาลลงครัวค่ ะ, ะหนูหนูจะซื้อชุดแบบนั้นมีเสื้อที่เป็นแบบเหมือนเหมือนที่เขาอยู่ที่วัดนะคะอาจารย์เสื้อกางเกงแล้วหนูก็ใส่ชุดนั้นแทนแทนชุดอื่นๆตอนอยู่ที่บ้านทำไมันชุดเช้ามันใส่ไม่ได้ไดเลยไงชุดขาวมันมันเปื้อนง่ายค่ะพระอาจารย์โดนชุไม่เปื้อนมันก็เปื้อนเหมือนกัน เพื่อนแล้วให้มันเปื่อนไปใช่ไหมคะเออก็เปื้อนไปเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็สร้างได้ไม่ใช่หรเออออมันก็จะเหลืองๆค่ะพระอาจารย์ทีนี้ถ้างั้นชุดกางจะได้มีสติมากขึ้นไงอ๋อต้องระวังระวังไม่ให้มันเปื้อนไงอืมแสดงว่าควรจะเป็นชุดขาวแล้วชุดชุนคํารกันพระอาจารย์ก็พวกพยาบาลทำไมเขาใส่ได้กันเขาทาเขาไปทํางานเขาใส่ชุดขาวกันไม่นมีปัญหาเลย พอเราถือสินแปดาส่ชุดขาวบ้างเป็นปัญหาขึ้นมา <c oughs> หนูหนูก็นึกว่าเห็นที่ที่วัดแม่ชีเขาใส่สีน้ําตาลหนูก็เลยคิดว่าเป็นเป็นสีที่อ๋อมันชีเขาตามพระเงั้นเขาอยากจะเอาแบบพระสีขาวเพราะฉะนั้นหนูก็ควรถ้าถ้าจะเป็นสินแปดก็ควรจะเป็นสีขาวสีดําก็ก็ไม่ไม่ควรใช่ไหมคะพระอาจารย์คือความจริงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันสีอื่นได้ไหรือไม่ เพราะว่าคงจะไม่ให้มันสีฉูดฉาดนะสีไม่ให้มันหม่นสีหม่นหมองอะไรอย่างเงี้ยคงจะโอเ ค, คอไม่ให้มไม่ให้มันสีฉูดฉาดมันแบบไม่ชีวิตชีวากับสีสันต่างๆอา ง, างก็คือสีหมุ่นหม่นสีไม่ต้องเข้มเข้ม<ๆ>แต่ท่านที่เห็นดูว่ามันขาวมันง่ายที่สุดมันเราไม่เอามันไม่ชอบขาวมันยังไ่กิเลสไม่ชอบสีขาวมนะัน ขาวปุ๊มันจะเปลี่ยนเป็นเหลืองค่ะพระอาจารย์ไปทํางานเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวจะพยายามค่ะพระอาจารย์นนจะพยายามก็อย่าไปเีเรีย่ยวสำมานก็แล้วกันถ้ายังต้องทํางานอยู่ะก็ยังใส่ชุดขาวไม่ได้ก็ใส่แล้วก็ใส่ไปเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะมาตัดสินผิดถูกดีชั่วเราจะพยายามค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ อนาคตเห็นเพื่อนเพื่อเริ่มแพนที่จะลาออกค่ะพระอาจารย์อีกไม่นานหนูก็น่าจะได้ลาออกแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้อบ้านหนูที่สรารคามกำลังจะรีโนเวทแล้วจะขายค่ะพระอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวคงได้เงินมาแล้วก็มาสร้างบ้านส่วนค่ะพระอาจารย์อยู่ทีเดียวยต่อไปไม่กลับไปบ้านส า, า, ารคามเี่ไปเช่ายิงกลับอ่าไปถ้าเป็นมันพุทธ หรือวันที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีงานหรือไม่มีอยู่เวณค่ะพระอาจารย์หนูจะกลับมาบ้านค่ะแต่อนาคตถ้าถ้าถ้าสร้างบ้านแล้วอาจจะกลับบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าเราขายขา ย, ขายบ้านที่สาขามัานจะไปอยู่ทีนะ่ไหนหนูตอนนี้หนูอยู่คอนโดอาจารย์ค่ะพระอาจารย์อตอนนั้นให้เขาเช่าแล้วก็เขาออกแล้วก็เลยไปดูบ้านค่อนข้างค่อนข้างทางก็เลย เราไม่อยากให้มีภาระต่อก็คือรีโนเวทเสร็จก็จะขายให้ให้ให้เรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลใจนะคะอะไรคิดค่ะแล้วก็มาสร้างบ้านที่ขอนแกน่นล้วก็คงจะอนาคตคงจะแผนแผนลาออกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอาจจะมี ไปทํางานกับเพื่อนเปิดที่เปิดร้านยาที่ที่ช่วยกันทําค่ะพระอาจารย์ อ, อาจจะไปทําสักสิบห้าวันเดือนละสิบห้าวันก็พออย่างเงี้ยค่ะแบ่งกันก็นละสิบห้าวันค่ะที่ที่ที่แผนย์ไว้ค่ะพระอาจารย์ที่เหลือก็ปฏิบัติทำที่บ้านค่ะโอเคค่ะนี่เท่านี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะรู้สึกน้อยรู้สึกน้อยไปหน่อยอาจจะปฏิบัติทำมากกว่านี้ <laughs> จริงๆรจริ ง, ร ง, รงหนูกําลังคิดว่าอยากจะไปทําแค่สิบวันเดี๋ยวแต่ว่าเพื่อนสองไม่รู้ว่าเขาไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระาอาจารย์คิดว่จะเลิกเลยเลิกหรืกี่เลิกเ ล, ก, <laughs> เลกเลยกลัวไม่มีตังค์ <laughs> อ๋อไม่มีตังค์เพาต้องอต้องดูแลน้อง <Okay. S 2> น้องนอง้องชายหลานชายค่ะ ย, ยังมีภาระอยู่นะยัง <Okay. S 2> มีภาระอยู่ค่ะแต่ว่า <Okay. S 2> ถ้าไม่มีภาระจริงก็อาจจะค่อยค่ จริงๆก็มีแอบแพนกับเพื่อนต่อว่าอนาคตถ้ามีจ้างเพษัตช์ full t ได้ก็จะถอยออกมาค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคมาลองเวลามาลองเวลามันจะหมดซะก่อนนะค่ะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวโดนโดนก็้เรียกดนเต่าโนวีดนเต่าโนบีซะก่อนนะอย่าเพิ่งเรียกค่ะให้หนูอยู่ปฏิบัติก่อน ค่ะอจารย์หนูจะพยายามเล่นรักตัวเองค่ะ่าทุค่ะอาจารย์คุณแนนแนนตอนั้นมีอะไรไมมแนนไม่มีใช่ไหมขอบพระคุณาจารย์ไปดีค่ะดีอ่าไปเพืที่คุณยินดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีแคนเซอร์ค่ะอันนี้มาอยู่ไอ ท่าอาจารย์ที่ไหนนะมาสเตอร์โอไอโอวาค่ะออที่ไหนไอโอวาไอโอวาไอโอวาจะมาแค่ที่เดียวค่ะท่าอาจารย์ ม, มาทำงานเดวิตเข้ามาทำงานนะคะท่าอาจารย์ที่นี่อะ่ะขับรถมาแปดชั่วโมงก็เลยไปเป็นเพื่อนเขาอะค่ะท่าอาจารย์คก็ไม่มีอะไรค่ะท่าอาจารย์ก็ เหมือนเดิมครับปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ลูกกับเดวิดก็ผ่ากราบบอลซองเต้ท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์โอเคครับอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์คุณประเวศหายหน้าไปนานเลยคุณประเวศทิศสุดอยู่เมา อ, อะไรนะคุณประเวศกลับรัสการ์กับอาจารย์ก็ไม่หายหน้าครับก็ฟังอยู่ข้างนอกครับก็ฟังทุกมาทิดด้วยครับผม อืก็เกืยวทุกวันาทิตยก็ยังส่งลายการพระอาจารย์อยู่ยครับอ uh, นี่ือว่ามาขอบุญครับว่าครบรบอบหกลอบวันนี้พอดีครับพระอาจารย์ uh, อ่าบุญต้องทําเองทํํา ท, ทาอยู่แล้วครับแต่ว่า mm. เอาบุญจากพระใจนิดหน่อยก็จะดีครับอ uh, เอาพรเนี่ยมันก็อะไรก็ได <ขอ S 2> ้ครับก็ขอยาขอยากรรมว่าเ ก, เกิดอะไก็แล้วกันนะอันนั้นอันนั้นตั้งใจครับ อ่าหายอยู่เป็น ง, งานไม้มีแต่ความสุขอยู่ไว้เกินร้อยปีเสุขภาพแข็งแรแล้วคาดปลอดภัยโอเคดีไหมสาทุครับอยากอยากอยากบ้านไปไกลกว่า น, นั้นเขาก็จ <laughs> ะก็ไม่กลับมาเกิดในกายที่สุดแล้วะครับผมอก็พยายามครับอ อยู่นอยู่ในเอ้มือแล้วล่ะคยอื้อมเออมมือออกไปทันเองมันก็ถึงแล้วก็ฟ <c oughs> ังธรรมจากพระพานานยอาจารย์บ่อยๆก็คงสักวันหนึงคงถึงครับพระอาจารย์ถ้ามีพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมันทําให้ทุกอย่างมันมันมันมันมันใกล้มากถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ยาวนานไกลเลยนครับ แล้วได้ได้มีพระอาจารย์ดีๆที่มาแนะนำอยู่ก็มีส่วนช่วยได้เยอะครับพระอาจารย์ใช่ถ้าคนรู้ทางบอกมันก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามาทำทางมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญวัฒนาของญาติาทั้งหลายที่มีพระอาจารย์คอยแนะนำตลอดครับผมเป็นบุญก็เป็นกรรมว่าไหมลุง <laughs> เป็นบุญครับพระอาจารย์โอเค อด้ดำเ น, นินการครับอาจารย์ขอบคุณสาธอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปนี้เอยนะครับผมปัญญาครับผม <S 1> <S 1> โอเคไปให้คุณฟังว่าอะไรอาจารฟังว่าอะไรเป็นบุญสัมพันธ์กันนะค่ะอาจารย์ที่พวกหนูพวกพวกเราได้ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะครัอาจารย์ เมื่อวันเสาร์ค่ะตั้งใจว่าจะไปฟังธรรมแต่ว่าพอดิ์ติดเคสที่โรงแรมนะคะเราต้องให้ตํารวจเข้ามาแบบเคลียร์เคสเล่งพี่เขาก็ทัดปแต่ว่าไปฟังไม่ทันพอไปขับรถไปที่วัดแล้วก็ทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยขับรถไปหาที่ปิกวิเวกอะคะ่ะก็ก็ถือซะว่าเออ่ไม่ทันก็ก็เหมือนกับชดเชยอะคะ่ะไปหาที่ที่ปลิกวิเวกแล้วก็เข้าสมาธิประมาณชั่วโมงเสร็จๆนงค่ะก็ก็ mm hmm. ก ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรค่ะเดี๋วนี้ไม่ไ ม, ไม่ตวนแบบพอไม่ได้อะไรแต่งใจแล้วมันก็เฉยๆค่ะอ่อย่าไปติดอย่าไปยึดติดมากเกินไปอย่าไปอยากได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีนะไม่จ้าค่ะก็เดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็ส่วนตอนตอนนี้รูปแบบตอนเช้าอะค่ะก็อาศัยใส่าบาตรพระจันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้พอดีพเพลินไปที่วัดนาจอมเทียนเราได้ได้ เจอท่านเจ้าอาวาสวันหนึ่งอะค่ะขอท่านเรียบร้อยแล้วว่าตอนทุกเช้าอะค่ะจะเข้าไปที่วิหารเล็กวิหารไม้ค่ะแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิตอนนี้ก็ขยับจากแบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะไม่ไม่กี่นาทีก็นั่งนั่งได้ยาวขึ้นเกือบชั่วโมงค่ะก็ก็ใช้วินาทุกวินาทีให้ให้คุ้มค่าที่สุดจ้ะจ้าค่ะดีมากทำใหมาแลหนู<า>เคื่อนไปเรื่ <Okay. S 2> อยเรื่อยจนก ว, ว่าหนูจะมีกําลังอะค่ะพอหนูจะจาเป็นที่ต้องแบบต้องเดินทางไปอยู่ใน กับที่บ้านแล้วค่ะหมจะได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนมีกําลังมากขึ้นเราไม่ไม่หลงทางค่ะอืมค่ะขอบพระคุณจ้ะค่ะอ่าสาธุทั้งคนตายอัสยา น้กล่าวนมัสการครับพระอาจารย์โยมวันนี้สีสันจัดเต็มาาานะคะวัอฟังแล้วก็ก้มดูต<ม>ัวเองก็ไม่ใช่วันพระเนี่ยมันไม่ใช่วันพระแต่ก็มันก็น่าจะลดๆเหลือนพระอาจารย์ว่าเพระาะว่าวัดก็เข้าอยู่บ่อยฟังก็ฟังพระอาจารย์อยู่บ่อยแต่ก็ขอสักนิดงค่ะเล่าวยเล่างานไม่ได้นะ ไม่ใช่ค่ะก็เก่งใช่พ่อกับแม่ด้วยค่ะมันแก่มันชินเขาไม่ค่อยชอบสีที่ดําขาวอะไรเงี้ยเอเอค่ะแต่ก็แต่ส่วนตัวก็กชอบเหมือนกันค่ะพระอาจารย์อันก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ยังยังจะบอกว่าปฏิบัติก็เดี๋ยวจะพูดษาช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์ แต่ก็พยายามรักษาจิตรักษาใจให้แบบว่าให้ให้ไม่ให้ผิดศีลห้าไม่มีศีลแปดคืแบบไม่ไม่นอกกรอบมากค่ะพระอาจารย์โอเคก็พยายามทําได้เราจะทําได้ไปก่อนนะค่ะพระอาจารย์สอบาระ <Okay. S 2> คุณมากค่ไกนนะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลอ่ะสักก็ค่ะไปที่คุณหมอหน้ทั้งหมดเชิญคุณหมอ อ๋อกลับพระอาจารย์ครับวันนี้เข้ามาฟังธรรมครับนะฮไม่มีอะไรนะผมสบายดีครับอนะ๋อ okay. ัไช่วงสงการของเข้าไปปฏิบัติครับอ่าหยุดหลายวันน ะ, ะครับอ า, อาจจะอฏีลูกสาวมีไปต่างประเทศตอนหลังสงการแต่ว่าจะคิดว่าคงไปอยู่หลายวันอยู่ครับแต่ว่าจะไม่ได้ทั้งตลอดทั้งสงการครับนะยังดีได้กี่วันก็ดีวันไม่ได้เลยครับครับะจะแบ่งเวลาให้ก่อนเข้าไปเดินทางดี ไปได้คุณหมอช่วยไม่ได้นะเขียนส่งที่สุนทัศนีเจ้าค่ะสุนทัศนีขอไปด้วยความจํามันได้เลนมมสการท่านพอาจารย์เจ้าค่ะไม่ค่ะยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะโอเคเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเจ้าค่ะเหมือนเดิมได้ก้าวหน้านะต้องก้าวหน้าเจ้าค่ะโอเค นี่เจ้าค่ะอบไปที่เท็กซัสคุณค Texas, สุปาาัตตาถามนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกมาร่วมฟังเจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้า ค, <อ>ค่ะโอเคอ่าไปที่คาแฟคุณกอฟกาแฟสุราธา น, นีย่งเพมอะม่อย่เพอะไรสําเพิ่ท่าฉางครับท่าฉางสุราครับ อยู่ไปทางไหนอยู่ใกล้กับวัดใกล้กับวัดพระบวรธาตุชยาอยู่ใกล้สวนโบสครับท่านอาจารย์พุทธทาสครับอ่าเป็ดีก็ก็เคยไปที่ที่นั่นเขามีสวนโป่นาชาติเขามีคอร์สคุปรัสนาเด็ดวันเี้ยเคยเข้าไปส่องเขาที่ต่างชาติเขาไปเชิญอยู่กันนี่ไหมใช่ใช่เป็นนานาชาติเป็นต่างชาติมีพระฝรั่งเข้ามาอยู่ครับเป็นบ่อน้ําร้อนครับอาจารย์ มันไม่ใช่ส4สี่วันเลยนะประมาณเจ็ดเจ็ดหรือสิบสี่เจ็ดเจ็ดวันครับอาจารย์ยถึงก็จะมีคอร์สกงเราภาษาเขาคือสิบสองอาทิตย์นะครับทุกต้นเดือนยังไงเนี่ยใช่ๆช่ครับใช่แล้วก็มีคอร์สเป็นเดือนก็มีครับอ่ามีของไทยกับของภลังแยกกันอยู่ใช่ไหมครับมันมันมันจะมีหลายเขตครับมีเขต ชั้นนอกชั้นในอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ให้คนภายนอกเข้าอะครับามันมีบ่อน้ำร้อนถ้าแบบปฏิบัติเหนื่อยก็ไปแช่ได้ท่านสอนอนาปานสติสิบหกขั้นนะครับก็เคยทำได้อยู่แต่ว่าได้ได้ขั้นที่สิบสองอะไรเงี้ยครับปัญหาครับก็ที่ะมาเีินถามก็คือ เหมือนบางเรื่องเราตัดสินใจไปเนะี้ยแล้วแล้วเพื่อแล้วลูกค้าหรือว่ามันเราให้ให้ความช่วยเหลือเขาไปแล้วพอเราไม่ช่วยเหลือด้วยความดียงของเราอนะไรเงี้ยทําให้เขาโกรธเรามากเลยอนะไรเงี้ยเราก็เลยทำยังไงแบบว่าเหมือนพอให้ความช่วยเหลือพอเขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเออเราหน้าจะไม่ช่วยแล้วนะเรื่องนี้หนะนะึ่งเงี้ยเราบางทีเราก็พูดแบบดิบๆ ด, ด้วยเราไม่ได้แบบพูดไปโอ้เขาอะไรเงี้ย มันทําให้เขาโกดมากดเรากลูกค้าอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ไไรู้จะทํายังไงแต่ว่าเราคิดว่าวิธีเนี้ยที่เราจะได้ไปอ่ะมันมันจะทําให้ปัญหาจบอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมเองก็ทํำใจอยู่เรารู้สึกเขาก็โกรธมากครับถ้าเร า, าไม่ได้ไปทําอะไรโดยตรงถ้าเขากดมันก็งงเขาไปคือเราเราก็ทําถูกต้องแต่ว่าเราเคยให้แต่พอเราไม่ให้ ก็ก็โกรธเรื่องเป็นธรรมดาเพราะความอยากไงไม่อยากได้พอเขาไม่ได้เก็โกรธครับก็เป็นเรื่องหนึ่งกับรู้สึกว่าต้องใช้ความอดทนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ ก็ไม well, so so uh, like, oh, uh ่ต้องทําอะไรเลยเขาโกรธไม่มันก็ไม่ใช่เรื่ยวของเราเราก็อยู่ของเราตามปกติแเราสึกร้อนร้อนลูกตาเราสึกแบบเขาร้อนด้วยมบบด้านโลกมาเผาเราเลยเราสึกร้อนไปด้วยเลยด้วยความแบบโกรธของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกได้เงี้ยครับเราใจไปโผล่ให้กับเขามันก็มันก็เลยร้อนตามไปโยมจะพยายามดูใจอยู่กับเองครับกลับมาหาพุทโธพุทโธไอ้ทางไหนเรื่องของเขาไปห้ามเขาไม่ได้เป็นอนัตตา พยายามแล้วก็อย่างที่สองเรียสื่อว่าเออว่าว่าจะไปพี่เขาบอกว่าจะจะชวนไปญี่ปุ่นนะครับผมก็คิดว่าเออถ้าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าเราไปคิดว่าเออเราไปดูโลกไปอัปเดตอะไรเงี้ยเพื่อจะเอาใช้อะไรเงี้ยก็จะได้ไหมครับแล้วแต่เราจะมอง แต่ไม่ได้ไดอยากทิ้งเอาเอาเสียตามไม่ได้อยากไปถ้าอยากจะมีข้ออ้างก็มีข <ไป S 1> ้ออ้างร้อนตามไปไม่ได้อยากไปแต่ว่าเราสึกว่าเราอาจจะมองอะไรได้ได้กว้างไกลขึ้น อ, อมันเหมือนเดิมมันโลกมันกว้างข น, <G ül> นาดไหนมันก็โลกของความทุกข์ใช่ไหมโลกนี้นิจังทุกข์ทางหน้าตาก็กก็เหนื่อยก็ก็เข้าใจมันรู้สึกฟังเทศพระอาจารก็เข้าใจว่าเออว่าเอโลกของความทุกข์เนี้ยคน ทีขนาดไม่ทําำไรเลยยังไงก็มาคนก็ต้องมาเบียดเบียนกันอยู่ดีซึ่งมันไม่ค่อยจบไม่ค่อยสิ้นถึงเราจะรักสีจะรักษาเราแต่ว่าบางครั้งคนภายนอกก็คือมันเป็นมันบังคับไม่ได้แต่ว่าเราทําใจได้หรือเปล่าแล้วเราไม่ฝึกสติก็ทําใจไม่ได้ถ้าฝึกสติก็ทําใจได้ใช้ได้ต่ไปเพิ่มขับผัดใหญ่โอเคนะหมดแลด้ว ย, ยัง ขอบคุณครับอ่าที่คุณจิ๊บแ ม, มร์เวลล์ยังไงสะพานรับคัณมาสการค่ะจาจาร์สะพานก็พังเหมือนเดิมค่ะเอ่ก<น>็ <c oughs> อยู่ใกล้บ้านแล้วป่ะ <c oughs> ไม่ใกล้ค่ะประมาณชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงสิบห้านาทีประมาณนี้ค่ะพระจาจาร์ <c oughs> มันอยู่อีกฟากหนึ่งติดแม่น้ำอะค่ะของโยม <c oughs> มันก็ก็สงสารคนที่เขาต้องเดินทางเหมือนกันแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าเขาก็คงเดี๋ยวเขาก็แก้กันได้ค่ะงบประมาณเขาน่าจะมีเดู่เยอก็มีเงนเยอะเดี๋ยวสร้งใหใช่ใช่ค่ะเอางบเอางบทหารมาทำสะพานก่อน uh huh. น่าจะโอเคค่ะอ่าก็ไม่มีอะไรค่ะเห็นเห็นเขาบอกว่าวันที่แปดนี้จะมีพระอาทิตย์ทรงกดใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ค่ะแต่ข่าวก็เห็นเห็นมีใครก็ไม่รู้บอกว่า เนี่ยพอประกาศพระธิดทรงกดปุ๊บเรือชนสพานเลยโยมก็แบบว่ามันเกี่ยวอะไรกันพระชนแก่โยมก็บอกว่าธรรมชาติม่ผลใช่โยมก็บอกเออมันเกี่ยวอะไรอ่ะคลื่นลมมันแรงเหรอหรือมันอะไรม่เกี่ยวกันมั้ยก็เรือมันไปชนธรรมก็บอกอย่างเงี้ยใช่โยมก็แบบเออถขำขมบางคนเขาก็คิดอย่างนจริงๆนะพระอาจารย์โยมแบบอืมเหรออืมโอเคโอเคอะไร คิดได้ทั้งนั้นนะถ้าคนอยากจะคิดมันคิดได้ทั้งนั้นใช่ค่ะก็เลยขอบคุณที่เรายังอย่างน้อยเราก็ยังมีสติปัญญาได้เจอเกตพระอาจารย์ดีๆก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาถูกทางแล้วค่ะพระอาจารย์อิตินเราไม่ได้เข้าโยมยุ่งมากเลยพระอาจารย์ช่วงนี้ช่วงภาษีแบบหัวปววันที่สิบห้า ใอ่ค่ะโอ้โหเมื่อวานลูกค้าก็มาก็บ่นว่าโยมใหญ่เลยเพราะโยมต้องสแกนเอกสารเขาแล้วเขาเครื่องคอมแต่เผลญเครื่องคอมมีปัญหาแล้วเขาส่งมาให้งแต่เดินกุมภาค่ะอาจารย์เราเจ้านายเพิ่งมาเห็นว่าเขาไม่ได้รับโยมก็อ้าวไม่ได้รับทำไงดีล่ะโยมก็เลยแบบเออโอเคจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดเรานะเพราะว่าเราก็สแกนจากเครื่องคอมถ้าเจ้านายไม่ได้รับก็น่าจะบอกเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโยมก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรลูกค้ามาโยมก็เลยบอกว่า เออขอโทษนะเป็นความผิดฉันเองที่ฉันสแกนเข้าเครื่องคอมแล้วระบบมันมีปัญหาแล้วฉันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็แบบรู้ไหมมันบิ๊กมิสเทคมากเลยโยมก็เฮคารับรับผิดชอบอะไรเงี้ยระวังนุ๊กถูกฟ้องหรอเปล่เดี๋ยวถูกฟ้องเนีก่กล้าเสี้ายนั่นนะสิคาแล้วเขาเป็นทนายเก่าด้วยโยมก็แบบว่าโยมก็เซวเขาบอกว่าเดีย๋ยฟ้องไอ้เลยนะไอ้เป็นปลูกกระจกน <c oughs> ี่ไหนมีมนคนค<อ>ีฟ้องอนะ คนทำรายกันให้เป็นคนฟ้องอะใช่ไหมะฟ้องว่ะฟ้องเนี่ยฟ้องแบบไม่รู้เอ้งช่างฟ้องนี่แบบฟ้องได้ตลอดเลยค่ะอาจารย์แล้วยอมแบบยมไม่เคยทํางานกับคนที่เขามีจิตแบบคือเราว่าคนไทยแบบไม่ใช่คนไแบบคือถ้าคนโลกจิตมันแสดงออกต่อหน้าเลยใช่ไหมคะแต่นี่มันจิตซ้อนจิตอะค่ะอาจารย์แบบคือเหมือนกับเอาเราไปว่าแต่ว่าได้วยสำนวนที่มันเหมือนกับเอ็นี่จะชมหรือจะว่าหรืออะไร ต้องตีความแล้วตีความอีกอะโยมก็เลยเออไม่เป็นไรอะทันหน้าเอเชียยงก็บอกเจน่ะเออเบนหน้าเอเชียก็ได้คนเอเชียทําอะไรก็ผิดผิดก็ไม่เป็นไรออกไปเถอะโยมก็เลยเออเหมือนว่าจะเอายอมหยุดเยินช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแต่เขาให้เราออกก็ออกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับค่ะอะไรก็ดสันโดดยินดีตามอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เพราะคิดว่าตอนนี้คือแบบ อะไรเข้ามาก็รับได้หมดแล้วคะ่ะอาจารย์มั น, นถึง<า>จุดที่มันรู้สึกว่าแบบเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วจนมาถึงจุดจุดนึงแล้วคงรับได้อ<ะ>่ะค่ะที่สุดแหงทุกแล้วก็รับได้ดใช่ค่ะใช่ใชมันก็ที่สุดของที่สุดแล้วก็คิดว่าให้ ม, มันเป็นที่สุดเถอะอย่าอย่าไปที่สุดกว่านี้โอเค วันนี้เฉลิมถ่นยไม่วันนี้เฉลิมถยไม่ยังไม่เข้ามายังไม่เข้าหรอคะยมเข้ามาช้างแล้วยมก็เลยว่าจะเข้ามากับอาจารย์รู้ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะเข้าอยู่เหมือนกันกับอาจารย์แต่ยังไงถ้าเขาไม่เข้ามายมก็กลับอาจารย์แทนเขาเลยนะคะขอให้อาจารย์ทัดแขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะค่ะงั้เดี๋ยวยมจะออกจากห้องก่อนเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณทีมงานแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ ไปที่จอยตอาจอพยพัทยาเก่าค่ะ <c oughs> ยังไงเป็นเด็กนอนกันหมดแล้วเหรอเอ่อยังไม่นอนค่ะเดี๋ยวเข้าห้องอยู่กับพ่อเขาค่ะเม้มเอ่ออกวันพราที่หนูหนูไม่ได้ไปใไสป่บบพรพาจาาย์คะพระหนึ่งแบบหนูหนูรู้เลยว่าหนูแบบมีความเครียดมากกับที่หนูไม่ได้ไปเพราะว่ารถเสีย แล้วหนูก็เลยแบบทำไงหนูก็เลยแบบพุยกับพี่หล้าพี่หล้าก็ให้ใช้ปัญญาสอนหนูก็เลยแบบปั้งสติดายก็เลยเอาที่ทําไว้ไปใส่บาตรพระใกล้ๆบ้านนะคะอะได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ได้ทมือนได้เหมือนกันแล้จ ะ, ะเก็บไวค้คร<น>าวหน้าก็าใส่สองสองเท่าก็ได้เหมือนกันหนกลัวเสียก่อนอะหนูทำแ<น><น>ื่เช้าหนูก็ตื่นมาวันนี้ฉันจะได้ไปไส่บาดรไหมนะก็คิดตลอดพยายามแต่ก็ ไม่ได้ก็ตอนแรกก็ไม่อยากฝืนเขาก็บอกว่าให้ปล่อยวางซะวางอะไรมันก็เลิกคือเหมือนที่บ้านเขาคิดว่าหนูแบบเธอทําบุญอยู่คนเดียวตลอดเวลาก็ทําของเราไปคนหนึ่งไม่ทําอะไรของเขาไปหนูก็คิดอย่างที่เขาทำเราจะว่าก็ห้ามเขาไม่ได้แล้วเราอย่าห้ามตัวเราก็แล้วกันของดีๆต้องรีบทำให้มากๆนะใช่ค่ะหนูคิดว่าอาทิตละครั้งวันพระหนูก็ มันก็ไม่ได้เดือดร้อนหมูขนาดนั้นหมูก็ทําได้อแล้วก็ทําของเราไปก็แล้วกันไม่ยอมให้ทำกันเองของเขาไปแต่ว่าแม่สนัสนุนแม่แม่คอยช่วยให้งานให้เงินตลอดแม่อนุมูลนาบุญตลอดด้วยมคคโเ่ะ ว, วันนี้ไม่มีอะไรค่ะเริ่มร่างสมาธิอืกค่ะโอเคคุณจ่าอยากจะเปิดอย่าพูดอะไรมันยัเห็นเปิดกล้องอยู่ ขับ oh. รำมาสการคะคะอาจารย์ไ่ไยวันนี้สบายดีค่ะไม่ได้มีคำถามอะไรพิเศษค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมเฉยๆโอเคทุ okay. กอย่างดีหมดนะค่ะ <c oughs> สงบดีค่ะช่วงนี้อาทิตย์นี้ค่อนข้างไม่ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายกับจิตใจเท่าไหร่โอเคยังไปได้คนณก็จต่อเลยคุณเก็จบัลิตคุณหลังอ่งอันก็ได้ค่ะไไงาจากโควิดแล้ว ใช่ครับแต่ ว, ว่าเหมือนเป็นโรคโควิดนะครับอาจารยเสี่ยงวไม่ค่อยมีครับเาจารย์ครับเมื่ อ, อวานก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานติตอาสาของพระเงยนอนท่านบวชพระนวักกะอ่าเจ็ดสิบสองครับที่วัดบรวรครับาอบดดาจาราาย์อืมครับพอีวาจารย์พระอาจารย์เย็นเนอะใช่ครับผมก็พอ ด, ดีว่าพระอาจารย์เย็นก็เป็นป่ายขอ ง, ของพอ่อลงกดด้วยครับออืและพอดีว่าเหงือกับลูกศิดใกล้ชิดของท่านครับ ทันมุสิกใกล้คิปบวชหมดเลยครับก็เลยไม่มีทีมไม่มีแบบคนฟาตสาแยันเขาก็เลยทางมุสิกก็เลยกเอกใหู้ปสิกของพอหลางมาช่วยยันช่วยฟาตด้วย่วยงานลงทางเนี่ยครับบไม่มีคําสาชไรพยายามอยโอเคครับอุัหดนรูปอไมสว่นรูปหล่ออะเลยครบเจ็ดขวบแล้วครับเมื่อวัน สิบี่ผ่าย ม, มาครับอืมขอบคุณขอบคุณขอบคุณหรือพระอาจารย์อครั บ, บ, บเส ร, ร็จขอบอุณดูเด็กดีเรียนดีเรียนหนักสุดเก่งๆนะครับ่อไปครับครับอคุณบคุณขอให้พราตุแข็พระอาจาย์แข็งแรงครับอด้สาธสาธุครับวันที่คุณล้ำคุณล้ำมีคาถามไหม แบบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมด6คคำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าคะ่ะ mm hmm. คำถามแรกจากคุณสุธารัตน์กราบสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคำถามอยากจะถามคะ่ะเวลาไปงานคนตายทำไมเหมือนจิตสัมผัสได้ว่ามีวิ ญ, ญญาณอยู่ใกล้ขนลุกไปงานพระาธาตุก็เหมือนกันคะ่ะเป็นไปได้ไหมคะที่จิตตัวเองอ่อนคะ่ะหรือจิตเป็นเช่นไรคะ อราก็เรียโอปทานอนโนขึ้นมาเองเวลาไปอยู่ในสานที่ตาที่หนึ่งมันมน่าจะปรุงแต่งขึ้นมาก็าแสดงว่าจิตอ่อ น, นถ้าจิตเข้มแข็งจิตเน่งมันก็จะไม่มีถ้าฝึกสติให้มากๆพุโทโธพุโทโธเวลาเกิดอาการอะไรนขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่ามันก็จะเดี๋ยวมันง่าหายไป คำถามต่อไปจากคุณทายกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะลูกขอโอกาสเรียนถามขณะนั่งสมาธิดูลมหายใจจนความคิดไม่มีแล้วใจไปอยู่กับความว่างเจ้าคะ่ะผิดทางไหมเจ้าค่ะลูกควรดึงกลับมาดูลมไหมเจ้าค่ะก็ท่านทนิ่งสงบอยู่กับความว่างได้ก็อยู่ของว่างไปอะไรก็ได้ทิ้งลมอะไรก็ได้ มีสองคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมาสการพระอาจารย์ครับคําถามที่หนึ่งการดูจิตไม่ได้อยู่ในกรรมฐานสี่สิบใช่ไหมครับแต่ถ้าผมภาวนาสามารถกําหนดดูจิตได้จะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็กําหนดที่จิตให้จิตนิ่งให้จิตว่างฝึกแบบนี้ได้ไหมครับหรือควรทําอย่างไรครับมันยากมั น, มน การดูจิตให้มันเป็นธรรมขั้นสูงตอนนนดูกายให้ได้ก่อนนี่กว่า <c oughs> ให้เราอยู่กับกายให้ได้ก่อนให้เราศึกษาธรรมชาติของกายจนร่างเราปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูจิตอีกทีดูเวทนาก่อนแล้วมาดูจิตมันเป็นธรรมขั้น ท, ที่สูงขึ้นที่ละเอียดขึ้นสถิตปัญญาเรา ต, าต้องเรืน้งต้นนี่มันไปไม่ถึงตรงนั้นต่อ เมือตอนนี้นะว่าดูล่างกายให้ได้ก่อนดูเพื่อปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกายแล้วก็ปล่อยวางเวทนาแล้วค่อยไปดงจิตเพื่อปล่อยจิตอีกทีหนึง่งคำถามที่สองเมื่ออายุมากขึ้นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงรู้สึกทุกข์มากมาวันนี้ รู้สึกทุกน้อยลงและยอมรับความไม่เที่ยงของร่างกายได้มากขึ้นรู้สึกเบาสบายขึ้นครับโดยอาศัยสติคอยเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่บางครั้งก็รู้สึกมีกำลังไม่มากพอที่จะทำใจให้สงบได้ครับรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนาสังสอนด้วยครับกรวเหมือนสติให้มากขึ้น ให้จิตเน่งสงบนั่งสมาธิแล้วจิตเน่งแลจิตก็จะมีกําลังที่จะรับรับความจริงได้รับความเจ็บไข้รับความตายได้คําถามต่อไปจากคุณอู๋กาเรียนถามพระอาจารย์ถ้าผู้มีพระคุณกับเราแต่เขาไปทาบาปกับผู้อื่นถ้าการกระทําของเราเช่นพูดความจริงมีผลกระทบทําให้เขาต้องเข้าคุกแต่เหตุการณ์บังคับ ให้เราต้องพูดความจริงเราควรทําอย่างไรคะก็พูดกนได้ไม่พูดกันได้นี่ไม่มีใค่เราบอกเราไม่พูดเราก็เฉยๆไปถ้าเรีคิดาพูดแล้วไปทําพื้อคนอื่นเขาเสียหายเดือดรเราก็เฉยๆไปก็ได้คำถามต่อไปจากคุณมุกกี้ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราภาวนาในระหว่างวัน เรานึกพุโทโธเช่นบางทีบริกรรมพุโทโธอยู่หรือท่องอิติปิโสอยู่ในใจแล้วอยู่ดีๆก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังบริกรรมอยู่พอมารู้สึกตัวอีกทีคำบริกรรมก็ยังบริกรรมอยู่อย่างนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเหมือนจิตบริกรรมเองโดยอัตโนมัติแบบนี้ถือว่าไม่มีสติอยู่กับตัวหรือเปล่าคะ เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมคะก็มันปฏิบัติมันต้องรู้สึกตัวตลอดเวลานถ้าไม่รู้สึกตัวแวสดงว่าไม่มีสติมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาเจ้าค่ะจากคุณสาวัณรัตนมัสการค่ะขอถามว่าจะเอาใจให้ไม่ห่วงลูกไม่ให้ห่วงลูกจะทำได้อย่างไรคะก็ต้องมองว่าลูกนี้ไม่ใช่เป็นรูปนี มาว่าเป็นเดินน้ำลมไฟไหมเป็นอาการซ้ีสองไปมีคำถามเข้ามาอีกเจ้าค่ะจากคุณสุนันกราบนมาส ก, การพระอาจารย์และเรียนถามพระอาจารย์ว่าไปสวดมนต์ที่วัดแล้วทำไมลมพัดแรงครับ อ, อ๋อลมมันพัดแรงอยู่เรื่อยๆอ่ะคุณจะสวดไม่สวน ไ, ไม่เกี่ยวับลมพัดคำ ถ, ถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเค ถ้าอย่างนั้นก็มีท่านนนาสละขึ้นนี้ก็ขอให้ท่านจดจำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ